ขอให้รู้ว้ว่านั่นคือหนังสือที่6ปีศาสตรร้ายแห่งความกลัวที่นโปเลียนฮิลกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ซึ่งก็คือความกลัวการถูกวิพากวิจารณ์นั่นเองความกลัวนี้ยังทําให้คนส่วนใหญ่ไม่กล้าเสี่ยงทําธุรกิจกลัวความล้มเหลวและละทิ้งปณิธานของตัวเองเป็นที่ทราบกันดีว่าในชีวิตจริงแล้วเราเรียนรู้ด้วยการลงมือทําภาคปฏิบัติจึงสําคัญกว่าทฤษฎี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 กรมนแสงทองสีกะมนสารบัญบทที่1เคล็ดลับแห่งความสำเร็จหน้าที่9บทที่สองความคิดคือสินทรัพย์เรื่องราวของผู้ใช้ความคิดเพื่อเปิดทางสู่การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับโทมัสเอดิสันหน้าที่27ิบทที่สปณิธานจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จหน้าที่43สบาบทที่สี่ ศรัทธาในศักยภาพของตัวคุณเองมีมโนทัศน์และเชื่อมั่นในการบรรลุปณิธานหน้าที่65บทที่5การเสนอแนะตัวเองสื่อกลางในการชักจูงจิตใต้สำนึกหน้าที่91บทที่6ความรู้เฉพาะทางประสบการณ์ส่วนตัวหรือความสามารถในการสังเกตหน้าที่103บทที่7จินตนาการแหล่งสร้างความคิดหน้าที่123 บทที่8การวางแผนอย่างเป็นระบบตกผลึกปณิธานสู่ปฏิบัติการหน้าที่151บทที่9กล้าตัดสินใจจัดการกับการผัดวันประกันพรุ่งหน้าที่193บทที่10ความมุ่งมั่นความพยายามอย่างไม่ลดละซึ่งจําเป็นในการสร้างศรัทธาหน้าที่105บทที่11พลังแห่งการระดมความคิด แรงผลักดันสู่ความสำเร็จหน้าที่231บทที่12สัมพันธภาพทางเพศเสน่ดึงดูดและสร้างสรรค์หน้าที่247บทที่13จิตใต้สำนึกสะพานเชื่อมต่อหน้าที่267บทที่14ศักยภาพแห่งสมองสถานีรับส่งความคิดหน้าที่281บทที่15ประสาทสัมผัสที่6ประตูสู่ปัญญา หน้าที่293บทที่16 6ปีสารร้ายแห่งความกลัวมีอยู่กี่ตัวที่ขวางทางคุณอยู่หน้าที่303จบการบรรยายสารบันบทที่หนึ่งเคล็ดลับแห่งความสำเร็จทุกๆบทของหนังสือเล่มนี้จะบอกให้คุณทราบถึงเคล็ดลับในการทำเงินที่สร้างความมั่งคั่งร่ารวยให้กับผู้คนซึ่งผมได้ทำการวิเคราะห์มาเป็นเวลาหลายปี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 หนึ่งในนั้นคือมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งอุตสาหกรรมเหล็กชาวอเมริกันแอนดรูคานิคีผู้ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้ฮิลคานิคีประทับใจในตัวฮิลมากเพราะหลังจากให้สัมภาษณ์ถึงสามชั่วโมงเขายังได้เชื้อเชิญฮิลให้ไปที่คริาสต์ของเขาในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อพูดคุยกันต่อระหว่างการพูดคุยในอีกสองวันต่อมาคานิคีได้เล่าให้ฮิฟังว่า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 ในปีคศรา2001เพื่อซื้อของในราคาเพียง1่ดอลลาร์ในปีคิศรา1901ยังไรก็ตามไม่ง่ายนักที่จะตีมูลค่าเงิน600ล้านดอนลลาร์โดยคิดจากค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยและตัวแปรอื่นๆในการคำนวณกำลังซื้อจากการประมาณคร่าวๆเงินมูลค่า600ล้านดอนลลาร์อาจจะเทียบเท่ากับเงินถึง 12,000 ล้านดอนลลาร์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 ล่วงรู้เคล็ดลับเหล่านี้ได้อย่างไรคุณจะได้รับคำตอบนี้หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบหรือบางทีคุณอาจค้นพบมันตั้งแต่บทแรกๆหรือในหน้าสุดท้ายเลยก็ได้ขณะที่ผมได้ศึกษาและวิเคราะห์บุคคลที่มีชื่อเสียงนับร้อยตามที่รับปากคาเนกี้ไว้นั้นผมพบว่าผู้คนเหล่านั้นมักมีคุณสมบัติตรงตามเคล็ดลับเพ่งความสาเร็จที่คาเนก้บอกไว้ผู้คนเหล่านั้นได้แก่ เฮนรี่ฟอรผู้ก่อตั้งบริษัทรถยนต์ฟอร์เขาเคยยากจนและไม่ค่อยได้เรียนหนังสือแต่ท้ายที่สุดเขาก็ได้เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของคนอเมริกันวิลเลียมลิกลีจูเเซลแมนบริษัทท่องเที่ยวผู้สังเกตเห็นว่าลูกค้าของเขาชอบหมากฝรั่งที่เขาแจกเป็นของชําร้อยมากจนในที่สุดเขาสามารถเปิดบริษัทของตนเองได้ John นวานามิเก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 ผู้เริ่มต้นจากนิตยสารเล็กๆเกี่ยวกับเกษตรกรรมไปเป็นเล s Home Journal และในที่สุดก็ได้สร้างสรงสรนหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ s ซ t u r d a y Evening Post พให้เป็นที่รู้จัก George Eastman นักประดิษฐ์และผู้ก่อตั้งบริษัท Eastman โก d a k ak, เขาที่สร้างสรงสรนวัตกรรมมากมายเกี่ยวกับการถ่ายภาพและนำไปสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในที่สุดชาวอชมือขวาของอนดคก เขาได้เป็นประธานกรรมการบริษัทคานิีสตีล์ต่อมาเป็นตัวแทนเจราจาเพื่อก่อตั้งยูเอสต l และก้าวไปสู่การก่อตั้งเบดเลยแฮมสติล์ทีโอดอร์ลูสเวลประธานาธิบดีคนที่26ของสหรัฐอเมริกาในช่วงปีคิเตศกาช 1901-1909 จอห์นดับยเดวิสนักกฎหมายผู้นำทางการเมือง ทนายความประจำตัวของประธานาธิบดีวูดโรวิลสันและต่อมาเขาก็ได้เป็นเอกอัครราชทูตรประจำซาหราชอาณาจักรอัลเบิร์ตฮับบาร์ดนักประชยาผู้จัดพิมพ์นิตยสารเดอะฟลาผู้ก่อตั้งลอยคอฟเตอร์อาร์ติสโคลนีเขายังเป็นผู้แต่งหนังสือขายดีหลายเล่มเช่นอเมสเซดทูกลาเซียอีกด้วยข้อมูลผู้เรียบเรียงลอยคอฟเตอร์อาร์ติสโคลนี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 ตอนที่นิตยสารบ๊อบเทเลอร์สมอบหมายให้เขาเขียนเรื่องราวของแอนดูคาร์เนกีจอร์ดีร็อกกี้เฟลเลอร์ด้วยเงินเก็บ 1,000 ดอลลาร์ 1, 000, รวมกับเงินที่ขอยืมมาอีก 1,000 ดอลลาร์ 1, 000, เขาเริ่มต้นด้วยบริษัทน้ำมันก๊าดเล็กๆซึ่งขยายกิจการไปเป็นบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ระดับโลกโทมัสเอเอดิสันนักประดิษฐ์และเจ้าของกิจการผู้คิดค้นหลอดไฟกล้องถ่ายรูป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 ปีคิตศกราต 1913-1921 วิลเลียมโฮวาท์ทัฟฟ์ประธานาธิบดีคนที่27ของสหรัฐอเมริกาปีคิตศกราต 1909-1913 ลูเทอร์เบอร์แบงค์นักพฤกษศาสตร์ผู้คิดค้นพันธุ์พืชใหม่ๆถึง800ชนิดโดยความภาคเพียรพยายามของเขาทำให้สามารถพัฒนาพันธุ์พืชและช่วยเพิ่มทันย า, ารให้แก่โลกของเรา เอ็ดเวิร์ดบได้เรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนเพียง6ปีเมื่ออายุ20ปีเขาได้เป็นบรรณาธิการ Ladies Home Journal ซึ่งเขาได้ช่วยสร้างมันให้เป็นนิตยสารขายดีระดับโลก f r a n k A. m u มันเซอดีตพนักงานรับส่งโทรเลขออกจากงานมาเริ่มทำนิตยสาร a ั g กอรและสร้างความมั่งคั่งแห่งอาณาจักรหนังสือพิมพ์ซึ่งรวมไปถึง Washington Times และนิว York Her ล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 National Geographic Society John S. p เอ t แพต o n ร์ประธานของ National Class r e g i s t สเตอ NCR เป็นที่รู้จักในเรื่องการออกแบบโฆษณาและเป็นอัจฉริยะในการจูงใจด้านการขายส่งผลให้ NCR เป็นผู้นำในด้านนี้ j u เ i u s สโ w e n w a l d เจ้าของโรงงานเล็กๆผู้มองเห็นการไกลในการสั่งซื้อทางไปรสนีเขาได้ซื้อหุ้น 25% ของเสีย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 ผู้แต่งหนังสือปกินกะเรื่องต่างๆเช่น The Prince of Liberty, p l a g i n t i s m ism, The Duty of the Rich และ How to Keep Fans เจจีแชปลิอธิกรรบดีของมหาวิทยาลัยลาซานในขณะที่นโปเลียนฮิลรับงานโฆษณาให้มหาวิทยาลัยและเป็นที่ซึ่งฮิลเริ่มตระหนักว่าตนเองมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเจนนิงเรนดอล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 ที่เข้าใจและนำเคล็ดลับของคาเนกี้ไปใช้ย่อมจะพบกับความสําเร็จในชีวิตบทวิจารณ์ดังที่นัปเลียนฮิลได้กล่าวไว้ว่ารายนามบุคคลที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเป็นเพียงส่วนน้อยของมหาเศรษฐีกว่า500อคนและผู้คนที่ประสบความสําเร็จในด้านอื่นซึ่งฮิลได้ไปสัมภาษณ์มาก่อนที่จะเริ่มเขียนหนังสือคิดแล้วรวยรายชื่อเหล่านี้ยังไม่ได้รวมบุคคลซึ่งได้พบกับฮิล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 นักพูดสร้างแรงบันดาลใจแทบทุกคนจะต้องพูดถึงผลงานของนโปเลียนฮิลเรายัางพบเห็นอิทธิพลของฮิลในงานเขียนของเพื่อนร่วมสมัยของเขาเช่นเดลคา r n เนกีและนอร์แมนวินเซนต์พิต่อเนื่องไปถึงนักเขียนนักพูดชื่อดังเช่น W ครีแมนสโตนอ็อกแมนดิโนและเอิร์นไนติงเกลซึ่งได้ทำงานให้กับนโปเลียนฮิล์และหมูลนิธินโปเลียนฮิล เสียงสะท้อนแห่งหลักการของฮิลยังพบได้ในหนังสือของเวลลี่เฟมัสเอมอสมรีเคเอสเคนเบนชาร์ตอดิเลตไบร์หนังสือชิ i เก e นซ o ปฟอร์ the Soul, ผู้แต่งคือแจ็คแคนฟิลและมาร์ควิกเตอร์เฮนเซนเดบิสฟิลชารติกกาเวนจอห์นเกรย์สูสานเจฟเฟอร์บูสเจนเนอร์ชาร์ลีทรามนดัสจอห์นทอมมี่ลาสซดา อาร์ตลิงเลสเตอร์โจนลุนเดนดรแม็กซ์เวลล์มอลล์เจมส์เรดฟิลด์ดรเบอร์นี่์ซีเกลโจเซซิวาไบรอันเทรซีลิลเลียนเวอร์นอนและเดนนิสเวสเล่สตีเวนโควีผู้เขียนหนังสือ The Seven Habits of Highly Effective People มักจะกล่าวถึงอิทธิพลของนโปเลียนฮิลที่มีต่อเขาแอนโทนีโรบินส์ นักเขียนและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของต้นศตวรรษที่21ก็ได้ประกาศว่านโปเลียนฮิลส์เป็นวีวรบุรุษของเขาจบบทวิจารณ์ผมพบว่าผู้ใดก็ตามที่ได้รับแรงบันดาลใจและนำเคล็ดลับของคคเนกี้ไปใช้ย่อมประสบความสำเร็จและในทางตรงกันข้ามผมไม่เคยเห็นใครที่ร่ารวยขึ้นมาได้โดยไม่ใช้เคล็ดลับเหล่านี้เลย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 จะใช้รูปแบบตัวอักษรที่แตกต่างจากเนื้อหาเดิมจบบทวิจารณ์ทั้งความยากไร้และร่ำรวยล้วนเป็นผลผลิตจากความคิดจบบทที่1บทที่2ความคิดคือสินทรัพย์เรื่องราวของผู้ซึ่งใช้ความคิดเพื่อเปิดทางสู่การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับโทมัสเอเอดิสันแท้ที่จริงแล้วความคิดคือสินทรัพย์ และเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่ามากด้วยเมื่อความคิดผสมผสานกับเป้าหมายที่ชัดเจนความมุ่งมั่นและปณิธานอันแรงกล้ามันสามารถจะแปลเปลี่ยนไปเป็นความร่ำรวยและทรัพย์สินเงินทองได้หลายปีก่อนเอ็ดวินซีบานได้ค้นพบวิธีการว่าจะคิดแล้วรวยได้อย่างไรการค้นพบของเขาไม่ได้มาในครั้งเดียวแต่ได้มาทีละเล็กทีละน้อยเริ่มต้นจากปณิธานอันแรงกล้า ที่จะร่วมทำธุรกิจกับโทมัสเอดิสันผู้ยิ่งใหญ่ปณิธานของบาร์มีลักษณะพิเศษคือความชัดเจนเขาต้องการที่จะทำงานกับเอดิสันไม่ใช่ทำงานให้เขาโปรดตั้งใจอ่านเรื่องราวต่อไปนี้เพื่อค้นหาคำตอบว่าเขามีวิธีการอย่างไรในการเปลี่ยนปณิธานให้กลายเป็นความจริงแล้วคุณจะเข้าใจหลักการที่จะนำไปสู่ความร่ำรวยได้ดีขึ้น เมื่อปณิธานและความคิดแวบเข้ามาในจิตใจเขาไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะทำตามความคิดได้เนื่องจากมีอุปสรรคขวางทางอยู่สองประการคือเขาไม่รู้จักเอดิสันเป็นการส่วนตัวและก็ไม่มีเงินแม้แต่ซื้อตั๋วรถไฟไปเมืองเวสต์ออเรนซ์รัฐนิวเจอร์ซีย์ที่ซึ่งห้องปฏิบัติการของเอดิสันตั้งอยู่อุปสรรคเหล่านี้อาจทาให้คนส่วนใหญ่ท้อถอยแต่ไม่ใช่สาหรับเขา เพราะปณิธานของเขาต่างจากคนธรมธรมดาๆทั่วไปนักประดิษฐ์และคนจอจัดเอ็ดวินซีบานได้เข้าไปแนะนำตัวเองที่ห้องปฏิบัติการของเอดิสันและประกาศว่าเขามาเพื่อที่จะร่วมธุรกิจกับเอดิสันยอดนักประดิษฐ์หลายปีต่อจากนั้นเอดดิสันเคยพูดถึงบานส์ในการพบกันครั้งแรกว่าเขายืนอยู่ตรงหน้าผม มองดูคล้ายคนจอจับธรรมดาธรรมดาแต่มีบางสิ่งที่แสดงออกบนใบหน้าว่าเขามุ่งมั่นที่จะมาเอาสิ่งที่เขาตามหาหลังจากที่ทำงานด้วยกันหลายปีทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าเมื่อคนเรามีปณิธานที่มุ่งมั่นยอมยินยอมที่จะเดิมพันอนาคตทั้งชีวิตของเขาเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเขามีความมั่นใจว่าจะต้องชนะผมได้ให้โอกาสที่เขาร้องขอ เพราะเห็นว่าเขาตัดสินใจที่จะยืนหยัดจนกว่าจะประสบความสําเร็จเหตุการณ์ต่อจากนั้นได้พิสูจน์ว่าผมคิดไม่ผิดจริงๆการที่เขาได้เริ่มต้นทํางานในสํานักงานของเอดิสันนั้นไม่ใช่เพราะเขายังดูหนุ่มแน่นแต่เป็นเพราะมีความมุ่งมั่นและมั่นใจในสิ่งที่เขาคิดพิจารณาแล้วในตอนแรกบานส์ยังไม่ได้เป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับเอดิสันสิ่งที่ทําให้เขาได้รับโอกาสในการทํางานร่วมกับเอดดิสันก็คือ เขาขอรับค่าจ้างเพียงเล็กน้อยหลายเดือนผ่านไปแม้ว่ายังไม่มีสิ่งใดใกล้เคียงกับเป้าหมายที่บานส์ตั้งไว้แต่สิ่งสำคัญในจิตใจของบานซ์ก็คือเขายังคงมุ่งมั่นกับบริธานที่จะร่วมธุรกิจกับเอดิสันให้ได้นักจิตวิทยากล่าวว่าเมื่อเราพร้อมสำหรับสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นจะปรากฏขึ้นมาเองบานส์พร้อมแล้วที่จะร่วมธุรกิจกับเอดิสัน มุ่งมั่นที่จะเตรียมตัวเองให้พร้อมและรอจนกว่าจะได้สิ่งที่สแสวงหาเขาไม่ได้พูดกับตัวเองว่าเอาละผมได้ประเมินตัวเองแล้วจึงเปลี่ยนใจและขอลองทำงานเป็นเซลแมนดีกว่าแต่เขาพูดกับตัวเองว่าผมมาที่นี่เพื่อร่วมธุรกิจกับเอดิสันและผมต้องไปให้ถึงเป้าหมายนั้นให้ได้แม้ว่าจะต้องใช้เวลาที่เหลือไปทั้งชีวิตก็ตามและเขาก็หมายความตามนั้นจริงๆ สิ่งที่ทำให้บานแตกต่างจากคนทั่วไปก็คือเขามุ่งมั่นกับเป้าหมายในชีวิตและยืนหยัดกับเป้าหมายจนกระทั่งมันกลายเป็นความย้ำคิดอยู่ในจิตใ จ, ใจของเขาเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าความตั้งใจที่เด็ดเดี่ยวและมุ่งมั่นไปสู่ปณิธานหนึ่งเดียวของเขานั้นได้ช่วยขจัดอุปสรรคและนำโอกาสที่เขาแสวงหามาให้เมื่อโอกาสมาถึงมันมาในรูปแบบที่บานเองก็นึกไม่ถึง โอกาสที่เข้ามานั้นมีลักษณะพิเศษคือแกล้งบิดเบือนให้ดูเหมือนเป็นโชคร้ายหรือเป็นความล้มเหลวชั่วคราวด้วยเหตุนี้จึงทําให้คนส่วนใหญ่พลาดโอกาสสาคัญไปในช่วงนั้นเอดิสันได้ประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ใหม่ขึ้นมาอย่างหนึ่งมันคือเครื่องพิมพ์ดีดแบบใหม่แต่พนักงานขายของเขากลับไม่มีความกระตือรือร้นพอพวกเขาเชื่อว่ามันคงขายไม่ดีในขณะที่บานส์เริ่มมองเห็นโอกาสของเขา มันเข้ามาหาเขาอย่างเงียบๆโดยซ่อนตัวอยู่ในเครื่องซึ่งดูแปลกประหลาดและไม่มีใครสนใจเลยนอกจากบานเขารู้ว่าเครื่องพิมพ์ดีดนี้สามารถขายได้จึงได้บอกให้เอดิสันทราบเอดิสันตัดสินใจให้โอกาสเขาบานขายได้และขายดีจนเอดิสันยอมเซ็นสัญญาให้เขาเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้ทำการตลาดทั่วประเทศเลยทีเดียวการร่วมธุรกิจครั้งนั้นนอกจากทาให้บานรวยขึ้นแล้ว ยังมีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากเขาได้พิสูจน์ให้คุณเห็นว่าคิดแล้วจะรวยได้จริงๆปณิธานของบานทําเงินให้เขาเท่าไหร่ผมเองก็ไม่รู้บางทีอาจสองสล้านดอลลาร์เงินสมล้านดอลลาร์ในตอนต้นของศตวรรษที่20บเทียบเท่ากับเงินมากกว่า50บล้านดอลลาร์ตอนเริ่มศตวรรษที่21แต่เงินจํานวนนี้ไม่มีความสําคัญเลยเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อันยิ่งใหญ่ที่เขาได้มา พลังความคิดที่ตีมูลค่าเป็นเงินไม่ได้นี้สามารถแปลเปลี่ยนความรู้อันมีขีดจำกัดให้กลายเป็นรางวัลที่มีค่าบาร์สคิดว่าตัวเองเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของเอดิสันคิดถึงอนาคตที่สดใสเขาไม่ต้องทำอะไรมากไปกว่าเริ่มลงมือทำรู้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการและยืนหยัดกับปณิธานที่ตั้งไว้จนกว่ามันจะเป็นจริงอีกแค่สามฟุตก็จะพบทองคา หนึ่งในสาเหตุของความล้มเหลวที่พบบ่อยที่สุดคือการที่คนเราพบอุปสรรคแล้วท้อถอยไปเสียก่อนทั้งๆที่จริงแล้วอุปสรรคนั้นอยู่แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเมื่อเกิดความผิดพลาดเพียงครั้งหรือสองครั้งแรกก็จะทำให้ทุกคนรู้สึกผิดระหว่างยุคตื่นทองของสหรัฐอเมริกาเพื่อนผมชื่ออาดูดาบี้ก็มีลุงที่เป็นโรคตื่นทองเหมือนกันเขารีบเดินทาง ไปทางฝั่งตะวันตกที่โคโลราโดเพื่อไปขุดทองคาและคาดหวังว่าจะร่ารวยเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าคนเราสามารถขุดทองไดจากความคิดของเราเองซึ่งอาจมีมูลค่ามากกว่าขุดทองพื้นดินซะอีกเขาขอสิทธิในการขุดทองคาแล้วจึงเริ่มเข้าไปทำงานขุดและร่อนทองหลังจากทำงานได้หลายสัปดาห์เขาได้รับรางวัลแห่งความพยายามคือขุดพบแร่ทองคาเหลืองอาราม เขารีบปิดเหมืองทองเล็กๆของเขาโดยไม่บอกให้ใครรู้และกลับไปบ้านเกิดที่วิลเลียมเบิร์กรัฐแมรี่แลนด์เขาบอกกับญาติและเพื่อนบ้านบางคนถึงการค้นพบทองคําพวกเขาได้รวบรวมเงินกันเพื่อสร้างเหมืองขุดเจาะทองคำอาหยูดาบี U ้ได้ตัดสินใจเข้าร่วมกับลุงของเขาและรีบกลับไปทํางานที่เหมืองต่อลุมแรกถูกขุดเมื่อได้ทองคําแล้วก็ส่งไปล้อม คนตอบแทนที่ได้กลับมาพิสูจน์ว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในเจ้าของเมืองทองคำที่รวยที่สุดในโคโลราโดถ้าเขาเจอทองคำอีกสักสองสำลุมนอกจากจะล้างหนี้สินได้ทั้งหมดแล้วยังสามารถสร้างผลกำไรได้มหาศาลยิ่งขุดลึกลงไปเท่าไหร่ความหวังของดาบี้และลุงของเขายิ่งมากขึ้นเท่านั้นแต่แล้วก็มีบางสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือเมื่อขุดต่อไปกลับไม่พบแร่ทองคาอีกเลย ความหวังพังทลายลงเขาพยายามขุดต่อไปอีกแต่ก็ยังไม่พบทองคําในที่สุดพวกเขาตัดสินใจที่จะหยุดเขาขายเหมืองทองคํานั้นต่อให้พ่อค้าซื้อขายของเก่าคนหนึ่งในราคาเพียงไม่กี่ร้อยดอลลาร์แล้วนั่งรถไฟกลับบ้านภายหลังพ่อค้าคนนั้นได้ขอคำปรึกษาจากวิศวกรพบว่าโครงการนี้ล้มเหลวเพราะเจ้าของเมืองไม่คุ้นเคยกับเส้นทางของสายแร่ทองคา จากการคำนวณวิศวกรบอกว่าแหล่งแร่ทองคำอยู่ห่างออกไปแค่สามฟุตจากจุดที่ดาบี้หยุดขุดเมืองแร่ทองคำนั้นได้ทำเงินให้พ่อค้าคนนั้นนับล้านดอลลาร์เพียงเพราะเขารู้ว่าควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนจะล้มเลิกความตั้งใจหลังจากนั้นดาบี้ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะเอาเงินทุนกลับคืนมาเขาค้นพบว่าปณิธานสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินทองได้ การเข้าสู่ธุรกิจขายประกันชีวิตทําให้เขาค้นพบตัวเองอย่าลืมว่าเขาสูญเสียโชคลาภไปเพราะว่าหยุดไปเสียก่อนทั้งๆที่อีกสามฟุตก็จะถึงทองคําดาบี้ได้กําไรงามจากงานใหม่เขาพูดกับตัวเองว่าผมเคยหยุดขุดทั้งๆที่อีกสามฟุตก็จะถึงทองคําดังนั้นเวลาขายประกันผมจึงไม่เคยหยุดขายเมื่อลูกค้าตอบว่าไม่ดาบี้ได้กลายเป็นหนึ่งในนักขายไม่กี่คน ที่ทำยอดขายประกันชีวิตได้มากกว่า1ล้านดอลลาร์ต่อปีเขายึดมั่นต่อบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากการล้มเลิกกลางคันในการทำธุรกิจเมืองทองคําในชีวิตจริงก่อนที่ความสําเร็จจะมาถึงเราต้องไม่หวั่นไหวต่อความล้มเหลวที่เป็นเพียงครั้งคราวหรือบางครั้งอาจต้องพบความพ่ายแพ้บ้างแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความล้มเหลวเอาชนะจิตใจเราได้ เราจะทำสิ่งที่มีเหตุผลที่สุดและง่ายที่สุดก็คือลมเลิกมันไปเสียซึ่งนั่นเป็นสิ่งซึ่งคนส่วนใหญ่ทำกันผู้ที่ประสบความสำเร็จมากกว่าห้าร้อยคนในสหรัฐอเมริกาเคยบอกผมว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มักรออยู่หลังจากจุดซึ่งเขาพบกับความพ่ายแพ้แค่1ก้าวความล้มเหลวจะหลอกลวงเราด้วยการเยาะเยะ้ยถากถางมันชอบทาให้คุณสะดุดล้ม เมื่อใกล้จะถึงความสำเร็จอยู่แล้วบทวิจารณ์ความเชื่อของนโปเลียนฮิที่ว่าทุกๆครั้งที่เราล้มเหลวมันจะบ่มเพาะความสำเร็จขึ้นมาด้วยเช่นกันเป็นแรงบันดาลใจให้เวนอัลลีนรูตผู้ประกอบการและนักพูดสร้างแรงจูงใจเขาเขียนหนังสือที่ชื่อว่า The Joy of Failure ตีพิมพ์ในปลายปีคศ1990หนังสือเล่มนี้ ไม่เพียงแต่บอกเรื่องราวส่วนตัวของเวนในการใช้ความล้มเหลวเป็นบันไดสู่ความสำเร็จแต่ยังรวบรวมเรื่องราวความสำเร็จของผู้คนที่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงที่มาถึงจุดนั้นเพราะได้เรียนรู้จากความล้มเหลวตัวอย่างเช่นแจ็คเวล CEO ผู้ประสบความสำเร็จของ General Electric ผู้ซึ่งล้มเหลวกับอาชีพแรกคือการผลิตต้นไม้พลาสติกมหาเศรษฐีชาลชว ล้มเหลวในการเรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยสอบวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานตกเพราะเขาบกพร่องในการเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียงหมายถึงภาวะผิดปกติที่ทำให้เด็กมีความยากลาบากในการอ่านเขียนเด็กจะมีปัญหาการเรียนอ่านหนังสือไม่ค่อยออกเขียนสะกดคำผิดบ่อยๆจบข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เรียบเรียงล้มเหลวในการลงทุนอีกหลายครั้ง ก่อนที่เขาจะรู้จักวิธีคิดแล้วรวยซิเวสเตอร์สเตอร์โลนบลูสวิลลิสโอปราวินฟรีบิลคลินตันสตีฟจ็อบส์โดนัลด์ทรัมป์และคนอื่นๆที่ประสบความสำเร็จในชีวิตล้วนแล้วแต่ต้องผิดพลาดหรือล้มเหลวก่อนเพื่อที่จะได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญซึ่งจะทำให้เขาประสบความสาเร็จทุกๆคนเป็นคนที่เคยล้มเหลวมาก่อนแต่ไม่มีใครยอมแพ้ชาล์เอฟ เเรงเจ้าของสิทธิบัตรงานประดิษฐ์มากกว่า200ชิ้นเช่นตัวจุดระเบิดหัวเทียนรถยนต์ฟลีออนสำหรับใช้ในเครื่องปรับอากาศและเกียร์รถยนต์กล่าวว่ากว่าที่เด็กอายุ6ขวบจะผ่านชั้นประถมศึกษาไปได้จะต้องผ่านการสอบ 3-4 ชั่วโมงต่อปีถ้าสอบตกก็จะถูกให้ออกจากโรงเรียนแต่สำหรับนักประดิษฐ์แล้วมักจะล้มเหลวอยู่เสมอเขาจะพยายามใหม่ แล้วก็จะล้มเหลวอีกอาจเป็นพันๆครั้งเพียงเพื่อจะขอเพียงครั้งเดียวที่ทำสำเร็จในที่สุดมันเป็นสองสิ่งที่ดูขัดกันเองเรามักพูดว่างานใหญ่ของเราคือการสอนลูกน้องที่เพิ่งทำงานใหม่ให้รู้วิธีล้มเหลวอย่างชาญฉลาดเราต้องฝึกเขาให้มีประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆด้วยการให้เขาผ่านการลองผิดลองถูกจนกระทั่งเกิดการเรียนรู้เองดังนั้นความล้มเหลวก็คือการฝึกฝนนั่นเอง จบบทวิจารณ์50เซนบทเรียนราคาแพงแห่งความมุ่งมั่นหลังจากที่ดาบี้เรียนจบจากมหาวิทยาลัยไม่นานนักเขาได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งพิสูจน์ให้ประจักษ์ว่าคำว่าไม่อาจไม่จำเป็นต้องหมายความว่าไม่เสมอไปบ่ายวันหนึ่งขณะที่เขากำลังช่วยลุงโม่แป้งข้าวสาลีด้วยเครื่องยุคโบราณลุงของเขาเป็นเจ้าของนาข้าวซึ่งมีคนรับจ้างทานาทางานอยู่ด้วย ทันใดนั้นประตูก็เปิดออกเบาๆหลานสาวตัวน้อยก้าวเข้ามาแล้วยืนอยู่ใกล้ๆประตูลุงมองไปเห็นเด็กน้อยแล้วตะคอกใส่เธอทันทีว่าต้องการอะไรเด็กน้อยตอบว่าแม่ให้หนูมาเอาเงินห้าสิบเซนฉันไม่ให้กลับไปบ้านเดี๋ยวนี้ลุงตวาดกลับไปแต่เด็กน้อยยังคงยืนอยู่ที่เดิมลุงทำงานต่อไปโดยไม่สังเกตเห็นว่าเธอยังไม่ได้ไปไหน เมื่อหันกลับมามองอีกครั้งพบว่าเธอยังคงยืนที่เดิมลุงพูดว่าฉันบอกให้แกกลับบ้านไปถ้ายังไม่ยอมฉันจะจับแกโยนออกไปเองแต่เธอก็ยังไม่ขยับขยื่นกายไปไหนลุงทิ้งกระสอบข้าวที่กำลังเทลงบนพื้นแล้วจ้องเขม่งมาที่เด็กน้อยดาบี้กลั้นหายใจเพราะรู้ดีว่าลุงของเขาดุเพียงไรเมื่อลุงเดินเข้าไปอยู่ตรงหน้า เด็กน้อยก้าวเท้าเข้าไปหาอย่างรวดเร็วพร้อมกับจ้องตาของลุงกลับไปแล้วตะโกนสุดเสียงว่าแม่ให้มาเอาเงินห้าสิบเซนให้ได้ลุงชะงักไปจ้องมองมาที่เธอประมาณหนึ่งนาทีแล้วก็เอามือล้วงกระเป๋าหยิบเงินครึ่งดอลล่าให้เธอไปเด็กน้อยรับเงินแล้วเดินถอยหลังไปช้าจ้องมองลุงอย่างไม่ละสายตาหลังจากที่เธอไปแล้วลุงก็นั่งลงบนกล่องไม้ แล้วเหมอมองออกไปนอกหน้าต่างเกือบสิบนาทีลุงนั่งคิดพิจารณาถึงสิ่งที่เผชิญมาเช่นเดียวกับดาบี้ที่กำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นเด็กน้อยสามารถจัดการผู้ใหญ่ได้อย่างห้าวหาญเธอทำได้อย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นทาให้ความดุร้ายของลุงหายไปแทบจะกลายเป็นแมวเชื่องๆอะไรคือพลังอานาจที่เด็กน้อยใช้เพื่อจัดการกับผู้ใหญ่ คำถามเหล่านี้อยู่ในใจของดาบี้แต่เขาไม่รู้คำตอบจนกระทั่งหลายปีต่อมาเมื่อเขาเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังน่าแปลกที่เขาเล่าเรื่องนี้ในโรงโม่เก่าๆอันเป็นที่ซึ่งลุงของเขาโดนเด็กน้อยตอกหน้าหงายนั่นเองขณะที่เรายืนคุยกันในโรงโม่เก่าๆนี้ดาบี้เล่าเรื่องนี้ซ้ำและจบลงด้วยคำถามว่าอะไรทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ คุณทำแบบนี้ได้ไหมเด็กน้อยคนนั้นใช้พลังอำนาจอะไรทำให้ลุงหน้าหงายไปได้คุณจะพบคำตอบจากหลักการของหนังสือเล่มนี้คำตอบนั้นมีอยู่พร้อมและมีคำแนะนำโดยละเอียดพอที่คุณจะเข้าใจและนำเอาพลังที่เด็กน้อยบังเอิญพบนี้เพื่อไปใช้ให้เป็นประโยชน์จงทำให้จิตใจของคุณตื่นตัวแล้วคุณจะได้เรียนรู้ถึงพลังที่ช่วยเด็กน้อยนั้นไว คุณอาจได้ผ่านพบพลังดังกล่าวในบทนี้หรือบางทีมันอาจจะแวบขึ้นมาในใจคุณในบทต่อๆไปถ้าคุณเฝ้ารอต่อไปก็จะได้พบกับไอเดียที่จะช่วยเร่งเรา้าและสามารถทำให้คุณสั่งการพลังนี้ได้พลังนี้อาจมาจากไอเดียจากแผนการหรือเป้าหมายที่คุณวางไว้อย่างไรก็ตามมันอาจพาคุณย้อนกลับไปเพื่อเอาชนะประสบการณ์แห่งความล้มเหลว และพ่ายแพ้ในอดีตนอกจากนี้ยังอาจจะให้บทเรียนที่มีค่าซึ่งทำให้คุณสามารถเรียกทุกสิ่งที่สูญเสียไปเพราะความพ่ายแพ้กลับคืนมาได้หลังจากที่ผมได้อธิบายให้ดาร์บี้ฟังถึงพลังอำนาจที่เด็กน้อยใช้โดยไม่ตั้งใจเขาหวนรำลึกถึงระยะเวลาส0ปีแห่งชีวิตนักขายประกันของเขาสิ่งที่ชัดเจนอยู่ในใจก็คือ ความสำเร็จในสิ่งที่เขาได้ทําไปนั้นที่แท้ก็มาจากบทเรียนที่ได้จากเด็กน้อยคนนั้นนั่นเองดับบี้ชี้ให้เห็นว่าทุกๆครั้งที่ลูกค้าไม่ยอมซื้อประกันและพยายามขับไล่สาส่งผมจะนึกถึงภาพเด็กตัวน้อยที่ยืนอยู่ในโรโม่เบิกตาโพลงและขมึงใส่อย่างไม่เกรงกลัวผมได้พูดกับตัวเองว่าฉันจะต้องปิดการขายนี้ให้ได้ประกันที่ผมขายได้เกือบทั้งหมด มักจะมาจากลูกค้าที่พูดว่าไม่เขายังคงจําความผิดพลาด ท, ที่ไปหยุดเสียก่อนทางทั้งที่อีกสามฟุตก็จะถึงทองคําอยู่แล้วเขาพูดต่อว่าประสบการณ์น ok ั้นกลับเป็นโชคลาภสําหรับผมเพราะมันสอนใจให้ผมเดินหน้าและเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะยากลําบากเพียงใดก็ตามมันเป็นบทเรียนที่จําเป็นสําหรับความสําเร็จประสบการณ์ p p ok ของดาร์บี้ดูธรรมดาและง่ายๆ แต่มันเป็นจุดเปลี่ยนของโชคชะตาแท้ที่จริงแล้วประสบการณ์นี้สำคัญเทียบเท่ากับชีวิตของเขาเลยทีเดียวเขาสามารถทำกำไรได้ก็เพราะได้วิเคราะห์บทเรียนจากประสบการณ์นี้และค้นพบมันในที่สุดแต่ถ้าคุณไม่มีโอกาสผ่านพบประสบการณ์แบบนี้ในชีวิตมาก่อนหรือเป็นคนหนุ่มสาวที่ยังไม่มีแม้แต่ความล้มเหลวเล็กๆน้อยๆให้วิเคราะห์แล้วก็ พวกเขาจะเรียนรู้ศิลปะในการแปลเปลี่ยนความล้มเหลวหรือวิกฤตให้เป็นโอกาสได้จากที่ไหนและอย่างไรนี่เป็นเหตุผลว่าทาไมผมจึงต้องเขียนหนังสือเล่มนี้ก็เพื่อที่จะตอบคำถามเหล่านี้นั่นเองคำตอบของผมอยู่ภายในหลักการทั้ง13ประการหลักการเหล่านี้อาจทำงานโดยตัวของมันเองหรืออาจจะเป็นตัวเร่งเรา้าซึ่งกันและกันก็ได้คาตอบที่คุณค้นหา อาจอยู่ในใจของคุณเรียบร้อยแล้วการอ่านหลักการเหล่านี้จะช่วยเป็นตัวเร่งทำให้คุณได้คำตอบจากไอเดียแผนการหรือเป้าหมายของคุณไอเดียสาคัญก็คือการที่คุณต้องการจะประสบความสำเร็จหลักการทั้ง13ประการนี้ได้รวบรวมวิธีปฏิบัติซึ่งดีที่สุดรวมไปถึงการสร้างสารรค์ไอเดียไวใ้ให้คุณเรียบร้อยแล้วสานึกแห่งความสาเร็จ ก่อนที่ผมจะกล่าวถึงรายละเอียดของหลักการนี้คุณควรจะต้องรู้ก่อนว่าในเวลาที่ความร่ำรวยเริ่มเข้ามาหาคุณนั้นมันจะมาอย่างรวดเร็วและมากมายจนคุณต้องประหลาดใจว่าความมั่งคั่งร่ำรวยไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนจึงปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ค่านานหลายปีนี่เป็นความจริงที่น่าอัศจรรย์ใจเพราะมันต่างจากการที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าความร่ำรวยต้องมาจากการทำงานหนักและยาวนาน เมื่อคุณเริ่มที่จะคิดแล้วรวยคุณจะสังเกตเห็นว่าความมั่งคั่งร่ำรวยนั้นเริ่มต้นด้วยสภาวะจิตใจด้วยเป้าหมายชัดเจนและด้วยการที่เราแทบจะไม่ต้องทำงานหนักเลยสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือวิธีที่จะเข้าถึงสภาวะจิตใจที่จะดึงดูดเงินทองเข้ามาผมจึงได้ใช้เวลาถึง25สิห้าปีเพื่อศึกษาหาคาตอบนั้นเนื่องจากผมเองก็เป็นคนหนึ่ง ซึ่งต้องการจะรู้ว่าคนรวยเขามีวิธีสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้อย่างไรสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ก็คือทันทีที่คุณจับปรัชญาของหลักการเหล่านี้ได้และเริ่มนำหลักการนี้ไปใช้ฐานะทางการเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้นทุกๆสิ่งที่คุณจับต้องจะเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินและผลกำไรฟังแล้วดูเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแต่เปล่าเลยหนึ่งในความอ่อนแอของคนส่วนใหญ่ก็คือ ความคุ้นเคยกับคำว่าเป็นไปไม่ได้เราเลื่องรู้กฎเกณฑ์ทุกอย่างที่จะทำให้มันไม่ได้ผลเรารู้ทุกสิ่งที่เป็นข้อจำกัดหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาสำหรับคนที่สแสวงหากฎแห่งความสำเร็จและเต็มใจที่จะเสี่ยงเดิมพันกับมันความสำเร็จจะอยู่กับคนที่มีจิตสำนึกแห่งความสำเร็จเท่านั้นส่วนความล้มเหลวก็จะอยู่คู่กับคน ที่ยอมให้ตัวเองจมอยู่ในสํานึกแห่งความล้มเหลววัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้คือช่วยคุณเรียนรู้ศิลปะแห่งการแปลเปลี่ยนจิตใจจากสํานึกแห่งความล้มเหลวไปสู่สํานึกแห่งความสําเร็จความอ่อนแออีกอย่างหนึ่งก็คือนิสัยชอบวัดสิ่งใดหรือผู้ใดก็ตามโดยใช้ความรู้สึกและความเชื่อของตัวเองบางคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วรู้สึกว่ายากที่จะเชื่อ ว่าตนเองจะสามารถที่จะคิดแล้วรวยได้ก็เพราะนิสัยในการคิดที่จมอยู่กับความยากไร้ทุกยากล้มเหลวและพ่ายแพ้ความคิดแบบนี้ช่วยย้ำเตือนผมถึงชายผู้ซึ่งมาจากประเทศจีนเพื่อมาเรียนที่มหาวิทยาลัยชิคาโกวันหนึ่งอธิการบดีฮาร์เปอร์ได้พบกับชายหนุ่มผู้นี้ที่มหาวิทยาลัยและหยุดพูดคุยด้วยสองสามนาที อธิการบดีถามว่าคุณประทับใจลักษณะของคนอเมริกันที่ตรงไหนมากที่สุดนักศึกษาตอบว่าอาจจะเป็นมุมมองของพวกคุณที่แตกต่างจากคนอื่นมันคือเรื่องของทัศนคติและนิสัยนั่นเองถ้าคุณสร้างนิสัยในการมองชีวิตตามทัศนคติของตัวคุณเองคุณอาจผิดพลาดเพราะเชื่อว่าข้อจากัดต่างๆในตัวคุณได้ถูกตัวเองประเมินแล้ว ว่าเป็นข้อจำกัดจริงๆรถยนต์ฟอร์ด V8 ที่เป็นไปไม่ได้เมื่อเฮนรี่ฟอร์ดตัดสินใจที่จะสร้างรถยนต์ V8 ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเขาได้เลือกสร้างเครื่องยนต์8สูบในหนึ่งบล็อกฟอร์ดได้แนะนำวิศวกรของเขาในการออกแบบเครื่องยนต์โดยมีการร่างและออกแบบในกระดาษซึ่งดูแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะทาเครื่องยนต์8สูบวิศวกรเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ฟอร์ดพูดว่า ยังไงก็ต้องสร้างมันให้ได้แต่พวกเขาตอบว่ามันเป็นไปไม่ได้เดินหน้าต่อไปฟอร์ดสั่งลงมือทาจนกว่าจะสำเร็จผมไม่สนใจว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ดังนั้นทีมวิศวกรจึงได้เดินหน้าทำงาน6เดือนผ่านไปไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นอีก6เดือนผ่านไปก็ยังไม่มีความคืบหน้าทีมวิศวกรได้พยายามใช้ทุกแผนการเพื่อทาตามคาสั่ง แต่ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้เมื่อเกือบถึงปลายปีฟอดได้ตรวจสอบทีมวิศวกรอีกครั้งและพวกเขาก็ได้บอกฟอดว่าไม่มีทางที่จะทำตามคำสั่งได้สำเร็จเดินหน้าต่อไปฟอดสั่งผมต้องการมันและผมจะต้องได้ทีมวิศวกรจึงต้องเดินหน้าต่อและแล้วความมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นพวกเขาได้ค้นพบความลับนั้น ความตั้งใจจริงของฟอร์ดสำฤทธิ์ผลอีกครั้งหนึ่งแฮนรี่ฟอร์ดประสบความสำเร็จก็เพราะว่าเขาเข้าใจหลักการแห่งความสำเร็จและรู้จักนำมันไปใช้หนึ่งในหลักการเหล่านี้คือปณิธานรู้ชัดในสิ่งที่ตัวคุณเองต้องการในขณะที่คุณกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้โปรดจําเรื่องราวของฟอร์ดไว้และหยิบยกเอาข้อความที่อธิบายถึงความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ของเขาไปใช้ประโยชน์ เมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถเข้าใจหลักการสำคัญที่ทำให้ฟอร์ดร่ำรวยได้คุณก็อาจประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการได้เช่นเดียวกับเขาบทวิจารณ์ผู้อ่านส่วนหนึ่งอาจคิดว่าการกระทำของฟอร์ดไม่มีอะไรมากไปกว่าความดื้อดึงดันทุรังแต่ผู้เขียนอยากจะชี้ให้เห็นว่าเขาใช้เทคนิคซึ่งกลายเป็นส่วนสาคัญของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมต่างๆมากมายเช่นเครื่องบิน คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมยาและการทหารเมื่อมีการเริ่มโครงการขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนผู้เขียนโครงการจะต้องรู้ขั้นตอนในการผลิตว่าส่วนประกอบชิ้นไหนที่จำเป็นแต่ยังไม่เกิดขึ้นข้อเท็จจริงคือว่าจากจุดเริ่มต้นนั้นการดำเนินการไปตามขั้นตอนนั้นย่อมมีอุปสรรคขวางอยู่แน่นอนมีโครงการหลายส่วนที่พวกเขาสามารถเริ่มงานได้เลย แต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งก็มักจําเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์อะไรบางอย่างซึ่งทำให้พวกเขาจะต้องเร่งแก้ปัญหาเพื่อสร้างมันขึ้นมาให้ได้และต้องทำให้ทันเวลาด้วยกล่าวโดยสรุปว่าเทคนิคนั้นคือการที่คุณรู้ในสิ่งที่กำลังจะทำเป็นอย่างดีมีศรัทธาในศักยภาพของตนเองและมีความมุ่งมั่นในการที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้จบบทวิจารณ์ ทำไมคุณจึงต้องเป็นผู้กำหนดโชคชะตาให้ตัวเองเมื่อกวีเรื่องนามชาวอังกฤษวิลเลียมเฮเล่เขียนบทกวีความว่าฉันเป็นนายแห่งโชคชะตาตัวเองและฉันคือผู้ควบคุมจิตวิญญาณของฉันเท่าที่ชี้ให้เห็นว่าการที่เราเป็นผู้กำหนดโชคชะตาและควบคุมจิตวิญญาณของตัวเราเองนั้นจำเป็นต้องมีพลังอำนาจที่จะควบคุมความคิดก่อน เขากำลังบอกว่าบางครั้งสมองของเราจะดึงดูดความคิดหลักที่สำคัญสคัญเอาไว้ในจิตใจและจิตใจนี้ก็จะไปดึงดูดเอาพลังจากผู้คนและสถานการณ์ต่างๆให้มาผสมผสานกับความคิดหลักของเราในที่สุดเขากำลังบอกว่าก่อนที่เราจะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้จะต้องดึงดูดเอาจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยปณิธานอันแรงกล้าที่จะร่ารวยนั่นคือ เราต้องมีสำนึกแห่งเงินทองจนกระทั่งปณิธานแห่งเงินทองผลักดันให้เราสร้างสารรค์แผนการเพื่อให้ได้มันมาในที่สุดแต่ด้วยความที่ฮันเลเป็นนักกวีจึงจำกัดตัวเองด้วยข้อเท็จจริงในรูปแบบแห่งกวีเท่านั้นทำให้ผู้คนส่วนหนึ่งไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของปรัชญานี้ข้อเท็จจริงนี้ค่อยๆเปิดเผยตัวมันเองออกมาทีละเล็กทีละน้อย จนผมได้อย่างรู้ถึงหลักการที่ได้อธิบายในหนังสือเล่มนี้แล้วมันเป็นเคล็ดลับแห่งการควบคุมโชคชะตาทางการเงินของเรานั่นเองหลักการที่สามารถเปลี่ยนโชคชะตาของคุณตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะมาดูหลักการข้อแรกกันผมขอร้องให้คุณเปิดใจกว้างไว้ก่อนขณะที่อ่านหลักการเหล่านี้จงจำไว้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผมหรือใครคนใดคนหนึ่งคิดค้นขึ้นมา แต่เป็นหลักการที่ใช้ได้ผลกับคนนับล้านมาแล้วคุณเองก็สามารถนำมันมาใช้งานและสร้างผลกำไรให้กับตัวเองได้เช่นกันแล้วคุณจะพบว่ามันไม่ได้ยากอะไรเลยหลายปีก่อนผมได้รับเกียรติให้ไปกล่าวประถกถาในงานพิธีมอบปริญญาบัตรที่วิทยาลัยเซเลมในเมืองเซเลมรัฐเวสต์เวอร์จิเนียผมได้เน้นย้ำถึงความจาเป็นที่คนเราต้องมีปณิธานอันแรงกล้า จนทำให้หนึ่งในนักศึกษาที่กำลังจะจบเกิดความตระหนักและนำมันไปเป็นหลักสำคัญแห่งปรัชญาชีวิตของเขาภายหลังนักศึกษาหนุ่มคนนั้นได้เป็นสมาชิกสภาคองเกรสและเป็นบุคคลสำคัญในคณะทำงานของประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลเขาได้เขียนจดหมายถึงผมโดยกล่าวถึงทัศนคติของเขาที่มีต่อหลักการแห่งปณิธานซึ่งจะปรากฏอยู่ในบทถัดไป ผมขอนำเอาข้อความในจดหมายมาให้อ่านมันจะช่วยให้ไอเดียที่จะนำรางวัลแห่งชีวิตมาให้คุณเรียนคุณนโปเลียนการที่ผมได้เข้าไปทำงานในฐานะสมาชิกของสภาคองเกรสทำให้ผมได้มีโอกาสเห็นปัญหาของผู้คนมากมายผมได้ให้คำแนะนาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้คนนับพันในปีคิศรา1922เมื่อคุณได้ไปกล่าวปธกถา ในงานพิธีมอบปริญญาบัตรที่วิทยาลัยเซเลมขณะนั้นผมยังเป็นนักศึกษาคนหนึ่งที่กำลังจะจบการศึกษาจากจุดนั้นคุณได้บ่มเพาะไอเดียดีๆลงไปในจิตใจของผมมันช่วยให้ผมได้รับโอกาสที่จะทำงานรับใช้ประชาชนในรัฐของผมในปัจจุบันนี้และจะช่วยผมประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องต่อไปในอนาคตผมจำได้เหมือนเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ว่า คุณได้ให้คำอธิบายที่แจ่มชัดเกี่ยวกับวิธีที่เฮนรี่ฟอดใช้ทั้งๆที่เขาได้เรียนหนังสือเพียงน้อยนิดไม่มีเงินไม่มีเพื่อนที่จะช่วยคิดแต่เขาก็สามารถก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในชีวิตได้ก่อนที่คุณจะจบปฐกถาผมได้ตัดสินใจในขณะนั้นว่าจะมีจุดยืนของตัวเองและจะต้องก้าวข้ามอุปสรรคฝ่าฟันความยากลาบากไปให้ได้สาหรับคนหนุ่มสาวนับพัน ที่จะจบการศึกษาในปีนี้และอีกสองสมปีต่อไปนั้นทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุนพวกเขาอยากรู้ว่าในการเริ่มต้นทำงานนั้นตัวเองจะไปทิศทางไหนและจะทำอะไรดีมีแต่คุณที่สามารถให้คำตอบเขาได้เนื่องจากคุณได้ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาซึ่งผู้คนมากมายประสบอยู่ทุกวันนี้ยังมีผู้คนนับพันในสหรัฐอเมริกา ที่อยากจะรู้วิธีเปลี่ยนความคิดเป็นเงินทองผู้คนทั่วไปมักเริ่มด้วยการไม่สร้างหนี้และลดค่าใช้จ่ายรอเพียงแต่จะมีใครสักคนช่วยเหลือเขาได้เหมือนคุณถ้าคุณตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ผมจึงอยากเป็นเจ้าของหนังสือเล่มแรกที่จะออกจากโรงพิมพ์พร้อมได้ไลายเซ็นของคุณด้วยความชื่นชมด้วยความนับถือเจนนิงลนดอฟ จากปีคิเตศกราช1922นั้นผมได้เฝ้าดูดเจนนิงเรนดอฟก้าวขึ้นสู่ผู้อำนวยการสายการบินแห่งชาติได้เป็นนักพูดสร้างแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่และได้เป็นวุฒธธิสมาชิกแห่งรัฐเวสต์เวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกา35ปีหลังจากที่ผมได้กล่าวปฐกถาไปมันเป็นความภูมิใจของผมที่ได้กลับไปยังมหาวิทยาลัยเซเลมอีกครั้งในปีคิตศกราช1957 โดยได้รับตำแหน่งอาจารย์พิเศษและได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวรรณกรรมจากวิทยาลัยเซเลมบทวิจารณ์ก่อนที่คุณจะได้เริ่มบทต่อไปผู้เขียนอยากที่จะกระตุ้นเตือนว่าบทความที่คุณกำลังอ่านนี้ไม่ได้เป็นเพียงการรวบรวมทฤษฎีไว้เท่านั้นแต่ยังจะทําให้คุณได้ทุกสิ่งที่ต้องการอีกด้วยหลักการแห่งความสําเร็จทั้ง13ประการนี้ ได้รับการพิสูจน์จากบุคคลที่มีชื่อเสียงตามที่นโปเลียนฮิวได้กล่าวอ้างไว้เทคนิคของเขาให้ผลในทางปฏิบัติได้รับการยืนยันโดยผู้เชี่ยวชาญและนักเขียนร่วมสมัยในยุคต่อๆมาผู้คนมากกว่า60ล้านคนได้จ่ายเงินซื้อหนังสือที่คุณกำลังถืออยู่ในมือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ได้พิสูจน์ถึงความสำเร็จด้วยตัวมันเองแน่นอนว่าคุณจะเป็นหนี้มันเพราะมันจะสร้างโอกาสให้แก่คุณมากมาย จงอ่านมันและอย่าตั้งคำถามแต่จงลงมือทำเพราะถ้าคุณไม่ลงมือทำอาจคิดว่าตัวเองรู้ดีกว่านโปเลียนฮิลหรือไม่ก็ตัดสินใจเลือกหยิบบางส่วนของหนังสือเล่มนี้เฉพาะส่วนที่คุณเชื่อแล้วถ้าคุณเกิดไม่ประสบความสำเร็จขึ้นมาคุณก็จะไม่มีวันรู้ว่าความล้มเหลวนั้นมาจากหนังสือเล่มนี้หรือจากตัวคุณเองกันแน่จบบทวิจารณ์สิ่งใดก็ตาม ที่มนุษย์สามารถคิดและเชื่อสิ่งนั้นย่อมสำเร็จจบบทที่สองบทที่สามปณิธานจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จขั้นตอนแรกสู่ความร่ำรวยเมื่อเอ็ดวินซีบาร์ก้าวเท้าลงจากรถไฟในเมืองออเรน์ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ดูภายนอกเขาอาจเหมือนคนจรจัดแต่ภายในหัวใจเขายิ่งใหญ่ดังพระราชา เขากำลังจะเดินทางไปยังสำนักงานของโทมัสเอเอ็ดดิสันจิตใจของเขาจดจ่ออยู่กับงานที่จะได้ทำเขาเห็นภาพตัวเองยืนอยู่ต่อหน้าเอ็ดดิสันได้ยินเสียงตัวเองกำลังพูดคุยกับเอ็ดดิสันเพื่อขอโอกาสที่เขาได้ทำงานตามปณิธานอันแรงกล้าของตนเองที่จะได้ร่วมทำธุรกิจกับนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ปณิธานของบาร์สไม่ใช่ความหวังไม่ใช่ความปรารถนา แต่มันคือปณิธานอันแรงกล้าซึ่งอยู่เหนือทุกสิ่งไม่กี่ปีหลังจากนั้นเอ็ดวินซีบาร์ได้ยืนอยู่เบื้องหน้าเอดิสันอีกครั้งในสำนัก ง, งานเดียวกับที่เขาได้พบกับเอดิสันเป็นครั้งแรกครั้งนี้ปณิธานของเขาได้สำเร็จผลแล้วเขาได้ร่วมทำธุรกิจกับเอดิสันความใฝ่ฝันในชีวิตของเขาได้กลายเป็นจริงแล้วบาร์ Barnes, ประสบความสำเร็จก็เพราะเขารู้จักที่จะเลือกเป้าหมาย ทุ่มเทพลังกายพลังใจความพยายามและทุกสิ่งที่เขามีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเขาต้องใช้เวลาถึงหปีกว่าที่โอกาสซึ่งเขาสแสวงหาจะมาถึงในมุมมองของคนอื่นยกเว้นตัวเขาเองอาจเห็นเขาเป็นเพียงฟันเฟืองตัวเล็กๆในธุรกิจของเอดิสันแต่ในจิตใจของเอ็ดวินบอนส์เขากลับคิดอยู่ตลอดทุกนาทีนับตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปทางานว่า ตัวเขาเองคือหุ้นส่วนธุรกิจของเอดิสันนี่คืออุทาหรณ์ที่ชัดเจนของพลังแห่งปณิธานบานส์ ands, บรรลุเป้าหมายได้เพราะเขามีปณิธานอย่างแรงกล้าเนื้อสิ่งอื่นใดในการที่จะได้ร่วมทำธุรกิจกับเอดิสันและสร้างสรรค์แผนการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เขาจะเดินหน้าต่อไปโดยไม่มองกลับไปข้างหลังอีกเขายืนหยัดกับปณิธานจนกระทั่งมันกลายเป็นส่วนสาคัญของชีวิต และในที่สุดมันก็กลายเป็นความจริงตอนไปที่เวสต์ออเรน์เขาไม่ได้พูดกับตัวเองว่าผมจะไปอ้อนวอนขอร้องเอดิสันเพื่อให้ผมทำงานอะไรก็ได้สักอย่างแต่พูดว่าผมจะไปพบเอดิสันและทำให้เอดิสันเห็นว่าผมมาที่นี่เพื่อร่วมทำธุรกิจกับเขาเขาไม่ได้พูดว่าถ้าผมพลาดในสิ่งที่ต้องการจากการทำงานกับเอดดิสันผมก็จะมองหาโอกาสอื่นๆแต่พูดว่า มีสิ่งเดียวในโลกนี้ที่ผมต้องการคือการได้ร่วมทำธุรกิจกับโทมัสเอเอดิสันผมจะไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองถอยไปข้างหลังแต่จะใช้ความสามารถทั้งหมดที่มีเพื่อสร้างอนาคตตามที่มุ่งหวังไว้เขาปิดหนทางในการถอยหนีของตัวเองต้องชนะหรือไม่ก็พ่ายแพ้อย่างยับเยินทั้งหมดนี้คือเรื่องราวแห่งความสำเร็จของบานส์ปิดทางถอยของตัวเองนานมาแล้ว มีนักรบผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งต้องเผชิญสถานการณ์เลวร้ายเนื่องจากต้องยกทัพเข้าต่อสู้กับศัตรูซึ่งมีกำลังมากกว่าเขามุ่งมั่นว่าจะต้องชนะสงครามครั้งนี้ให้ได้เมื่อเดินทางถึงดินแดนของศัตรูและได้ลำเลียงทหารและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ออกจากเรือแล้วจึงได้สั่งให้เผาเรือทิ้งก่อนจะรบเขาได้ประกาศกับไพรพลพว่าพวกเจ้า คงเห็นเรือที่กำลังลุกไหม้แล้วพวกเราจะไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้ถ้าเราไม่ชนะไม่มีทางเลือกอีกแล้วพวกเราจะชนะหรือยอมตายอยู่ที่นี่ในที่สุดพวกเขาก็ชนะทุกคนที่เอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ต้องปิดทุกหนทางที่จะถอยนีนี่คือหลักจิตวิทยาในการกระตุ้นปณิธานของตัวเองเพื่อชัยชนะเช้าวันหนึ่งหลังจากเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในชิคาโก เจ้าของร้านค้ากลุ่มหนึ่งกําลังเฝ้ามองดูกลุ่มควันจากซากร้านค้าของพวกเขาและปรึกษากันว่าจะพยายามฟื้นฟูร้านค้าขึ้นมาใหม่หรือจะย้ายออกไปจากชิคาโกแล้วไปเริ่มชีวิตใหม่ที่เมืองอื่นดีสุดท้ายพวกเขาตัดสินใจจะย้ายยกเว้นอยู่คนเดียวเขาคือเจ้าของร้านที่ตัดสินใจอยู่ต่อโดยจะสร้างร้านค้าขึ้นมาเขาชี้ตรงบริเวณเดิมของร้านและพูดว่าทุกคนจงฟัง ผมจะสร้างห้างสปปรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ตรงนี้ไม่ว่าจะถูกไฟไหม้อีกกี่ครั้งก็ตามทีนั่นคือเหตุการณ์เมื่อปีคิเตศักราช1871เขาสร้างร้านค้านั้นขึ้นมาใหม่และยังคงอยู่จนทุกวันนี้ห้างสปปรรพสินค้ามาเชลฟิลเป็นอนุสรณ์สถานแห่งปณิธานอันแรงกล้าของมาเชลฟิลแตกต่างจากพ่อค้าคนอื่นๆตรงที่เมื่อเผชิญกับความยากลาบาก และอนาคตที่มืดมนเขาจะลุกขึ้นแล้วมองโลกในแง่ดีโปรดสังเกตความแตกต่างระหว่างมาเชลฟิลกับเจ้าของร้านค้าคนอื่นๆเพราะความแตกต่างนี้เองทำให้คนที่ประสบความสำเร็จถูกแยกออกจากคนที่ล้มเหลวเมื่อเราอายุมากขึ้นจนรู้คุณค่าของเงินก็ยอมต้องการได้เงินกันทุกคนแต่ลำพังแค่ความต้องการนี้ไม่ได้ทาให้เราร่ารวยขึ้น การที่เราคิดถึงปณิธานซ้ำๆในการที่จะสร้างความร่ำรวยร่วมกับการวางแผนที่ดีต่างหากที่จะทำให้เราร่ำรวยจงกำหนดวิธีการที่คุณต้องใช้เพื่อฝ่าฟันกับอุปสรรคมุ่งมันกับแผนการเพื่อปิดทางที่จะทำให้ตัวคุณเองล้มเหลวบทวิจารณ์จากงานเขียนในหนังสือเล่มอื่นของนโปเลียนฮิลส์ใช้คำว่าเป้าหมายที่แน่นอน ในความหมายเดียวกันกับคำว่าปณิธานคำอธิบายต่อไปนี้นำมาจากหนังสือของมูนิธนโปเลียนฮิลเรื่อง Belief and Achieve ปณิธานหรือเป้าหมายที่แน่นอนเป็นมากกว่าการตั้งวัตถุประสงค์พูดง่ายๆก็คือปณิธานของคุณก็คือแผนที่นำทางไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์แห่งอาชีพการงานนั่นเองเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย คุณจะต้องมีขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจนการที่คุณมีปณิธานหรือเป้าหมายที่แน่นอนในชีวิตนั้นจะช่วยเสริมศักยภาพของตัวคุณเองในการบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้เมื่อคุณรู้ดีว่าตัวเองกำลังทำอะไรก็จะทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์คุณจะกระตือรือร้อนในการแสวงหาโอกาสมากขึ้นและแตัดสินใจได้วรวดเร็วขึ้นคุณต้องถามตัวเองทุกครั้ง ที่จะลงมือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามว่าจุดมุ่งหมายนี้จะช่วยพาฉันไปสู่ปณิธานที่ตั้งไว้ได้หรือไม่เป้าหมายจะต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตต้องสืมทราบเข้าไปในจิตใจของคุณทั้งในระดับจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกจบบทวิจารณ์ 6. ขั้นตอนในการแปลเปลี่ยนปณิธานไปเป็นเงินทองต่อไปนี้คือหลักปณิธาน6ประการ ที่จะทำให้คุณบรรลุปณิธานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยหนึ่งระบุจำนวนเงินที่คุณต้องการไว้ในใจให้ชัดเจนการพูดง่ายๆกว้างๆ ว, ว่าฉันต้องการเงินมากๆนั้นไม่เพียงพอจงระบุจำนวนที่แน่นอนลงไปเลยเพราะนี่คือเหตุผลทางจิตวิทยาซึ่งจะได้อธิบายในบทต่อไปสองกำหนดสิ่งที่คุณตั้งใจจะทาเพื่อให้ได้เงินมาตามที่ปรารถนา ในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีคำว่าได้อะไรมาฟรีๆส ร, ระบุวันที่แน่นอนในการที่จะได้ครอบครองเงินที่ปรารถนา 4. สร้างสรรแผนการที่จะทำให้ปณิธานบรรลุผลสำเร็จและเริ่มลงมือทำทันทีไม่ว่าคุณจะพร้อมหรือไม่ก็ตามเพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ 5. เขียนบันลงไปเขียนข้อความที่ชัดเจนและกระชับถึงจานวนเงินที่คุณต้องการได้ กรอบเวลาในการดำเนินการระบุเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำเงินให้คุณและรายละเอียดของแผนการที่คุณได้ตระเตรียมไว้ 6. อ่านข้อความที่คุณเขียนออกมาดังๆวันละสองเวลาก่อนเข้านอนและหลังตื่นนอนตอนเช้าขณะที่อ่านจงสร้างมโนภาพสร้างความรู้สึกและความเชื่อว่าตนเองได้ครอบครองเงินนั้นเรียบร้อยแล้ว การปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหขั้นตอนนั้นมีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนที่หกจงตั้งใจปฏิบัติตามคุณอาจข้องใจว่ามันไม่น่าเป็นไปได้ที่จะเห็นตัวเองครอบครองเงินนั้นแล้วทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้มาจริงๆแต่นี่คือวิธีการที่ปณิธานอันแรงกล้าจะเข้ามาช่วยคุณถ้าคุณตั้งความปรารถนาในเรื่องเงินทองด้วยความกระตือรือร้นจนกระทั่งมันครอบงำจิตใจแล้ว คุณก็จะได้มันมาโดยไม่ยากลำบากนักวัตถุประสงค์ของการสร้างความต้องการเงินและกําหนดวิธีการที่จะได้เงินมานี้ก็คือการทำให้คุณชักจูงตัวเองว่าจะต้องได้เงินนั้นมาให้ได้สาหรับคนที่ไม่ได้ร่ำเรียนมาทางด้านจิตวิทยาอาจคิดว่าคำแนะนำนี้ดูไม่น่าจะมีผลในทางปฏิบัติแต่คุณจะมั่นใจขึ้นถ้ารู้ว่าผู้ที่ถ่ายทอดข้อมูลนี้ให้ผมคือแอนดรู c a คา e g เนกี ผู้ที่สร้างตัวจนประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของคนอเมริกันคานคกี้เริ่มงานจากกรรมกรธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งในโรงงานถลุงเหล็กทั้งๆ ท, ที่เริ่มต้นจากงานที่ต่ำต้อยแต่เขาสามารถนาหลักการเหล่านี้ไปสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้ตนเองได้มากกว่า100ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินในปัจจุบันถึง 20,000 ล้านดอลลาร์และคุณจะยิ่งเชื่อมั่นมากขึ้นเมื่อทราบว่า ยอดนักประดิษฐ์และนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จโทมัสเอเอดิสันได้พิจารณาคำแนะนำทั้งหนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วเขาจึงได้ประทับรับรองคำแนะนำนี้และกล่าวว่ามันไม่ใช่แค่ขั้นตอนของการทำเงินเท่านั้นแต่เป็นขั้นตอนสำหรับการบรรลุผลสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายใดๆก็ตามบทวิจารณ์ในช่วงเวลาหลังจากที่นโปเลียนฮิล์ได้เขียนข้อความเหล่านี้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสรีระวิทยาของสมองและจิตวิทยาได้ก้าวหน้าไปมากทำให้เราเข้าใจเรื่องของแรงจูงใจมากขึ้นถึงแม้ว่าวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงจูงใจสมัยนี้จะใช้วิธีการเดียวกับที่ฮิลแนะนำผลการศึกษาวิจัยยืนยันว่าสิ่งที่ฮิลแนะนำนั้นมีพื้นฐานทางด้านจิตวิทยารองรับ ซึ่งจะมีผลชัดเจนเมื่อเราตั้งเป้าหมายและการผูกมัดตัวเองกับเป้าหมายนั้นโดยการเขียนลงในกระดาษและพูดออกมาดังๆบ่อยๆในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ น, นั้นเทคนิคนี้ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปหลักการทางจิตวิทยานี้มีการทางานคล้ายๆกับการเสนอแนะตนเองและการสะกดจิตตัวเองซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดในบทที่ห การเสนอแนะตนเองและบทที่13จิตใต้สำนึกคำแนะนำของฮิลคือจงเห็นตัวเองประสบความสำเร็จในจินตนาการก่อนที่มันจะเป็นจริงปัจจุบันนี้มันเป็นเทคนิคหนึ่งทางจิตวิทยาที่มีการสอนกันในปัจจุบันโดยผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแรงจูงใจซึ่งเราเรียกมันว่ามโนภาพสร้างสารรค์ Creative Visualization ฮิลจะให้ความกระจ่างในวิธีการของเขาเพิ่มเติมในบทที่ 4, สี่ศรัทธาและบทที่ห้าการเสนอแนะตนเองผู้เขียนอยากเสริมคําแนะนําของฮิลเนื่องจากทราบว่าผู้อ่านมีแนวโน้มที่จะคิดว่าตัวเองเข้าใจหลักการนี้ดีพอแล้วขณะที่คุณกําลังอ่านคําแนะนำหกข้อของฮิลคุณอาจคิดว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าสําหรับบางคนนั้นอาจจําเป็นต้องเขียนสิ่งเหล่านี้ลงไป แต่ฉันไม่ใช่เด็กเล็กๆและฉันก็พอได้ไอเดียแล้วหรือไม่ก็โอเคฉันเข้าใจอยู่แล้วว่าการพูดออกมาดังๆสามารถช่วยคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองได้แต่ฉันฉลาดพอจะเข้าใจหลักการนี้อยู่แล้วถ้าคุณคิดอย่างนั้นเราอยากย้ำเตือนคุณว่าแม้แต่คนซึ่งประสบความสำเร็จและคนที่คุณชื่นชมหลายๆคนก็ยังไม่คิดว่าเขาเก่งเกินกว่าที่จะทำตามคำแนะนำของฮิว ผู้เขียนอยากชี้ประเด็นว่าถ้านโปเลียนฮิลเชื่อมั่นว่าการเขียนและพูดเป้าหมายของเรามีความสำคัญรวมไปถึงนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแรงจูงใจก็เห็นด้วยคุณก็ควรทำตามคำแนะนำง่ายๆนี้จงลงมือทำจบบทวิจารณ์ขั้นตอนเหล่านี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยอีกทั้งไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมาก และมันไม่ได้เรียกร้องว่าคุณต้องมีการศึกษาสูงๆคำแนะนำทั้งหกขั้นตอนนี้ต้องการเพียงจินตนาการที่จะมองเห็นและเข้าใจว่าความมั่งคั่งร่ารวยนั้นไม่ได้ขึ้นกับโอกาสหรือโชควาสนาถึงตอนนี้คงรู้แล้วว่าคุณสามารถสร้างความมั่งคั่งร่ารวยได้ก็ต่อเมื่อคุณมีปณิธานแห่งเงินตราและเชื่อมั่นในตัวเองว่าจะสามารถครอบครองมันได้ พลังแห่งความฝันอันยิ่งใหญ่ถ้าคุณอยู่ในสนามแข่งขันทางการเงินต้องทราบข้อเท็จจริงก่อนว่าโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้ต้องการไอเดียใหม่ๆวิธีการใหม่ผู้นำใหม่นวัตกรรมใหม่รูปแบบใหม่รุ่นใหม่มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเบื้องหลังความต้องการของที่ใหม่กว่าและดีกว่ามีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีเพื่อจะได้ชัยชนะ สิ่งนั้นก็คือการกำหนดเป้าหมายที่แน่นอนหรือว่าตนเองต้องการอะไรและมีปณิธานอันแรงกล้าที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นถ้าคุณมีปณิธานที่จะร่ำรวยจงจำไว้ว่าผู้นำที่แท้จริงในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลซึ่งสามารถควบคุมและนำพลังแห่งโอกาสซึ่งมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ผู้นาเป็นบุคคลที่เปลี่ยนโอกาสไปเป็นเมืองตึกระฟ้า โรงงานอุตสาหกรรมระบบขนส่งมวลชนสถานบันเทิงและทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างความสะดวกสบายทำให้ทุกสิ่งง่ายขึ้นเร็วขึ้นดีขึ้นหรือทำให้ชีวิตสุขสบายขึ้นในการวางแผนไปสู่ความร่ำรวยนั้นอย่ายอมให้ใครมาทำลายความเป็นนักล่าฝันของคุณการที่จะชนะเดิมพันครั้งยิ่งใหญ่ในโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลง น, น, นั้น คุณต้องเข้าใจถึงจิตวิญญาณของผู้บุกเบิกที่ยิ่งใหญ่ผู้ซึ่งความฝันของเขามีคุณค่าต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมจิตวิญญาณของผู้บุกเบิกนี้เปรียบเสมือนเลือดที่หล่อเลี้ยงประเทศของเรามันให้โอกาสทั้งคุณและผมที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองจุดเริ่มต้นของปณิธานอันแรงกล้าในการที่เราจะทาอะไรสักอย่างก็คือความใฝ่ฝันความไม่เอาใจใส่ ความเกียจคร้านหรือไม่ทะเยอทะยานจะไม่ช่วยสร้างความใฝ่ฝันให้เกิดขึ้นหากสิ่งซึ่งคุณปรารถนาจะทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและคุณเชื่อมั่นในสิ่งนั้นจงเดินหน้าต่อไปแล้วลงมือทำถ้าคุณพบกับความล้มเหลวบ้างก็อย่าสนใจสิ่งซึ่งคนอื่นพูดเขาอาจไม่รู้ว่าแต่ละครั้งที่ล้มเหลวนั้นได้เพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จให้กับคุณด้วยเช่นกันมาคนีใฝ่ฝันถึงระบบ ที่จะทำให้คนเราสามารถส่งเสียงจากสถานที่หนึ่งไปสถานที่หนึ่งด้วยระบบไร้สายครั้งหนึ่งเมื่อเขาประกาศว่าได้ค้นพบวิธีการส่งข้อมูลข่าวสารไปทางอากาศแล้วเพื่อนของมาคนีเคยพยายามจะให้เขาเข้าโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อพูดคุยกับจิตแพทย์เขามีหลักฐานว่าไม่ได้สร้างวิมานในอากาศนั่นก็คือคลื่นวิทยุรวมไปถึงคลื่นโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือ การสื่อสารผ่านดาวเทียมและการสื่อสารไร้สายที่เราใช้กันอยู่ในโลกทุกวันนี้นักคิดฝันในปัจจุบันนี้โชคดีกว่าสมัยก่อนมากเพราะโลกของเราทุกวันนี้มีเรื่องต่างๆมากมายที่สมัยก่อนยังไม่รู้จักถ้าคุณยังสงสัยในความจริงข้อนี้หรือเมื่อไม่นานมานี้คุณรู้สึกแย่เพราะได้ประสบกับความล้มเหลวคุณกำลังจะได้เรียนรู้ว่า ความล้มเหลวสามารถแปลเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าได้อย่างไรเกือบทุกคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตล้วนต้องผ่านจุดเริ่มต้นที่เลวร้ายมาก่อนแต่ด้วยใจที่ต่อสู้ไม่ย่อท้อจึงทำให้เขาผ่านจุดนั้นมาได้จุดเปลี่ยนในชีวิตของผู้ที่ประสบความสำเร็จมักเกิดจากการที่เขาต้องเผชิญกับวิกฤตการด้วยตัวเองบทวิจารณ์มีการกล่าวถึงแนวคิดของนโปเลียนฮิล ในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงในหนังสือคิดแล้วรวยอยู่หลายแห่งแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดไว้มากนักต่อไปนี้เป็นบทความที่เขาเคยเขียนไว้คุณอาจจะเคยมีความคิดว่าความล้มเหลวทําให้สูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งคุณคิดอย่างนี้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสล้มเหลวมากขึ้นเท่านั้นจงหยุดความคิดเหล่านี้เสียแล้วคิดใหม่ว่าแท้ที่จริงคุณกําลังได้ประโยชน์จากประสบการณ์ของคุณ ดังนั้นไม่ว่าคุณจ ะ, ะเผชิญกับอุปสรรคอะไรก็ตามควรมองอีกมุมหนึ่งว่าคุณจะไม่สนใจอุปสรรคนั้นและไม่คำนึงถึงความพ่ายแพ้นอกจากนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามคุณควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและเลือกที่จะร่วมงานกับคนที่มีเป้าหมายเหมือนกันปรัชญาและคำแนะนำในการโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นจะช่วยคุณได้มากถ้ารู้จักนามันไปใช้ จบบทวิจารณ์ซิดนียพอตเตอร์ได้ค้นพบอัจฉริยภาพของตัวเองหลังจากที่ประสบเคราะหกรรมเขาได้กระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันจึงถูกจองจําในคุกที่เมืองโคลัมบัสรัฐโอไฮโอแต่ที่นั่นกลับทําให้เขาค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเขาเองเขาเริ่มเขียนเรื่องสั้นและในขณะที่ถูกจําคุกเขาก็เริ่มขายเรื่องสั้นให้กับนิตยสารโดยใช้นามปากกาว่า โอเฮนรี่ด้วยจินตนาการอันกว้างไกลของเขาเขาก็ได้ค้นพบว่าตัวเองเป็นนักเขียนที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่นักโทษที่น่าสมเพชตอนที่เขาพ้นโทษออกจากคุกโอเฮนรี่เป็นนักเขียนเรื่องสั้นที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศบทวิจารณ์เมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีนักเขียนอีกคนหนึ่งได้พบตัวตนที่แท้จริงของเขาในคุกอีกแห่งหนึ่งเช่นกันทาให้วงการเพลงพื้นเมือง ได้นักแต่งเพลงผู้มากด้วยพรสวรรค์และยังได้นักแสดงผู้ยิ่งใหญ่อีกด้วยในวัยเด็กครอบครัวของเมอร์เลแฮกการ์ตต้องอาศัยอยู่ในบ้านซึ่งดัดแปลงมาจากรถในเมืองเบเกอร์ฟิลด์รัฐแคลิฟอร์เนียหลังจากที่พ่อเสียชีวิตเมื่อเขาอายุเพียง9้าขวบเขาก็ต้องเขา้าเข้าออกออ ก, ออกสถานพินิจเด็กมากกว่าอยู่ที่บ้านของเขาเองเขาต้องออกจากโรงเรียนตอนอายุ16ปีและสปีต่อมาเมอร์เลแฮกการ์ ต้องโทษคดีขโมยรถยนต์และลักเล็กขโมยน้อยและเมื่ออายุ20ปีเขาสร้างชื่อเสียงด้วยความยากลำบากในเรือนจำซานควนตินและที่นั่นเองทำให้เขาได้พบกับตัวตนที่แท้จริงด้วยแรงบันดาลใจจากคอนเสิร์ตของจอห์นนี่แคร่วมกับการที่เขาได้สนทนากับนักโทษที่รอการประหารชีวิตและช่วงเวลาที่เขาถูกขังเดียวทาให้แฮกกาด เรียนรู้ว่าเขามีตัวตนอีกคนหนึ่งซ่อนอยู่ในตัวเขาตัวตนที่มีอะไรบางอย่างจะสื่อสารผ่านบทเพลงของเขาเมื่อออกจากคุกที่ขังเดียวเขาร้องขอ ง, งานที่หนักที่สุดในเรือนจานอกจากนี้ยังได้ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาคเข้มในเรือนจาปรับปรุงตัวเองจนได้รับการอภัยโทษหลังจากอยู่ในเรือนจาเป็นระยะเวลาสองปีครึ่งเขาก็ได้กลับไปยังเบเกอร์ฟิลด์ทงานขุดคูน้าในเวลากลางวัน และใช้เวลาในตอนกลางคืนเพื่อเขียนและสร้างสรรค์งานเพลงภายในเวลาสมปีก็ได้เซ็นสัญญาบันทึกงานเพลงและภายในเวลาหปีงานของเขาก็ติดอันดับหนึ่งในสิเพลงฮิตและนำไปสู่หนึ่งในงานเพลงที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อแนวดนตรีคันทรีสมัยใหม่จบบทวิจารณ์โทโมัสเอดิสันไฝ่ฝันถึงการสร้างหลอดไฟ ซึ่งใช้พลังงานจากไฟฟ้าเขาได้เริ่มสร้างฝันให้เป็นจริงเอดิสันต้องประสบความล้มเหลวมากกว่าหนึ่งหมื่นครั้งแต่ทั้งๆ ท, ท, ที่ล้มเหลวก็ยังยืนหยัดในความไฝ่ฝันจนในที่สุดเขาก็ได้ค้นพบอัจฉริยภาพที่ซ่อนอยู่ในสมองของเขาบทวิจารณ์ดีนคาแมนได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาตั้งแต่อายุยังน้อยในช่วงวัยรุ่นเขาได้เริ่มก่อตั้งบริษัทเกี่ยวกับผลิต และขายระบบควบคุมแสงสีเสียงในการแสดงตอนที่ได้เซ็นสัญญาจัดงานปีใหม่ให้กับ i ท e s Square นั้นเขาอย่างเพิ่งจะเรียนอยู่ชั้นมัธยมเท่านั้นถึงแม้ตอนที่เขาเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วเขาก็ยังไม่เบื่อที่จะเรียนรู้เพราะกำลังยุ่งกับงานประดิษฐ์สำคัญที่เขาเรียกว่าออโต้ไซริงซึ่งเป็นเครื่องควบคุมการฉีดยาให้ผู้ป่วยเครื่องแรก สิ่งประดิษฐ์ของเขาจัดได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่สำคัญทางการแพทย์เช่นเดียวกับนวัตกรรมอื่นๆของเขาเช่นเครื่องไตเทียมเครื่องปั๊มฮอร์โมนอินซูลินสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและการพัฒนาสายสวนหัวใจรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรอีกกว่า150รายการมีวันหนึ่งเขาได้เห็นชายคนหนึ่งกำลังลุกจากรถเข็นด้วยความยากลำบากเขาจึงคิดสร้างสรรอุปกรณ์ ที่จะช่วยให้คนออกจากรถเข็นได้สะดวกขึ้นนั่นคือที่มาของ i อบออุปกรณ์ล้ำสมัยในรถเข็นที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมพร้อมด้วยระบบควบคุมสมดุลซึ่งทำงานเลียนแบบคล้ายร่างกายมนุษย์มันไม่เพียงแต่ช่วยในการควบคุมรถเข็นเท่านั้นแต่ยังช่วยการขึ้นลงบันไดาการเดินทางในพื้นผิวที่ขรุขระ และทำให้ผู้ใช้สามารถยกระดับความสูงของตัวเองขึ้นมาในระดับเดียวกับคนที่ยืนได้อีกด้วยนอกจากนี้มันยังสามารถทำงานได้โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องลุกออกจากรถเข็นอีกทั้งไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นด้วยในปีคิตศกราต2001คาเมนเป็นข่าวหน้าหนึ่งเมื่อเขาได้แนะนำเซกเวย์ยานพาหนะเฉพาะบุคคลที่ใช้เทคโนโลยีไอบอทซึ่งจะช่วยให้คนไปไหนมาไหนด้วยตัวเอง มันคือรถสกูตเตอร์สองล้อที่ทําหน้าที่พาเราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าข้างหลังไปซ้ายไปขวาและหยุดโดยที่ผู้ขับขี่ไม่ต้องทําอะไรเลยนอกจากโยกตัวไปมามันไวต่อการเคลื่อนไหวมากเรา ว, ว่าเพียงแต่คิดเราก็สั่งมันได้ด้วยจินตนาการของเขาได้ทำให้เซกเวย์เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการทำงานและเคลื่อนที่ของโลกขณะที่กาลังเขียนบทวิจารณ์นี้ เซกเวย์พร้อมแล้วสำหรับการทดสอบโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานไปรษณีในโรงงานปฏิบัติการขณะที่ตำรวจจราจรและเทศบาลเมืองกำลังโต้แย้งกันว่าควรจะใช้เซกเวย์บนท้องถนนหรือบนทางเท้าดีดีนคาเมนก็กำลังมีความคิดฝันใหม่คราวนี้ความฝันของเขาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทาให้คนเรามีแสงสว่างที่จะอ่านหนังสือได้แม้ในที่ซึ่งมืดมิดที่สุดของโลก คาเมนกำลังพัฒนาแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่ไม่ก่อให้เกิดมลพวะและสามารถใช้ทุกสิ่งรอบตัวเป็นพลังงานแต่สิ่งที่พิเศษสุดกว่านั้นก็คือเขาได้คิดค้นระบบเครื่องยนต์ที่สามารถให้ความร้อนเพื่อนำไปกลั่นน้ำบริสุทธิ์ได้ถึงสิบแกลลอนต่อชั่วโมงนวัตกรรมที่น่าทึ่งนี้จะช่วยให้มีน้าบริรสุทธิ์สาหรับบางส่วนของโลกซึ่งประชากรต้องล้มตายนับล้านคนเพราะกินน้าที่ปนเปื้อนนอกจากนี้ มันยังเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าราคาถูกและไว้วางใจได้ดีนคาเมนไม่ใช่นักค้นคว้าวิจัยที่อยู่แต่ในห้องปฏิบัติการหากแต่เป็นนักประดิษฐ์ที่คล้ายกับโทมัสเอดิสันกล่าวคือเป็นผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่รู้จักสร้างสรรค์และทำการตลาดให้ผู้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงงานประดิษฐ์ของเขาด้วยจบบทวิจารณ์ เฮนรี่ฟอร์ดผู้ยากไร้และไม่ค่อยได้เรียนหนังสือได้คิดฝันถึงการขนส่งสินค้าที่ไม่ต้องใช้ม้าเป็นพาหนะเขาเริ่มงานด้วยเครื่องไม้เครื่องมือเท่าที่เขามีโดยไม่รอคอยโชคชะตาปัจจุบันนี้ความคิดฝันนี้ได้เปลี่ยนโลกทั้งใบเขาทำให้ล้อรถยนต์ทุกคันหมุนอย่างไม่มีใครทำได้มาก่อนก็เพราะเขากล้าที่จะฝันนั่นเองบทวิจารณ์ ทั้งสตีฟจ็อบส์และสตีฟวอสเนียรเป็นนักศึกษาที่ออกจากมหาวิทยาลัยก่อนที่จะเรียนจบทั้งคู่ไฝฝันถึงการผลิตและขายเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คนทั่วไปสามารถซื้อหามาใช้ได้พวกเขาเหมือนฟอร์ดตรงที่เริ่มต้นจากเครื่องหมายเครื่องมือเท่าที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์แอปเปิลเครื่องแรกของพวกเขาถูกสร้างในโรงรถของครอบครัวทั้งคู่เหมือนฟอร์ดในเรื่องความกล้าที่จะฝัน หลังจากได้สาธิตเครื่องต้นแบบให้กับบริษัทผู้ซื้อแล้วเขาได้รับคำสั่งซื้อจำนวน25เครื่องจ็อบขายรถโฟกสวาเกนส่วนวัสเนียร์ขายเครื่องคิดเลขราคาแพงของฮิวเล็ตแพ็กกาดแล้วนำเงิน 1,300 ดอลลาร์ 1, ที่ได้เพิ่มมาเพื่อก่อตั้งบริษัทเขาลงทุนและชักจูงให้ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้เครดิตเขาและเริ่มผลิตเครื่อง Apple วัน มันเป็นการปฏิวัติรูปแบบของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในปีคิศกร1976เครื่องออกสู่ตลาดด้วยราคา666ดอลลาร์แอปเปิลทำเงินให้พวกเขาถึง 774,000 ดอลลาร์ 7, 4, ปีต่อมาพวกเขาได้เปิดตัวแอปเปิลทูภายในเวลา3ปีทำเงินให้เขาถึง140ล้านดอลลาร์และในปีคศ1980 Apple ก็ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และหลังจากวันแรกของการซื้อขายมูลค่าของหลักทรัพย์ขึ้นไปถึง 1,200 ล้านดอลลาร์วอสเนียกลาออกจากบริษัทไปในปีคิศกร1981แต่จ็อบยังคงพัฒนา m a c อินทอชจนถึงปีคศกรา1984จ็อบได้ลาออกตามไปในปีคศก1985แต่กลับเข้ามาใหม่ ในปีคิตศกราษ1998เพื่อฟื้นฟูบริษัทที่กำลังย่ำแย่ด้วยการสร้างสรรค์เครื่องคอมพิวเตอร์ iMac บริษัทสร้างภาพยนตร์พิก a า iPod และ i j จูนในการนำเสนอความสำเร็จของบุคคลร่วมสมัยนั้นผู้เขียนได้นำหลักการของฮิวมาประยุกต์ใช้เพื่ออธิบายถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จอย่างไรก็ตามฮิวมักไม่ค่อยได้รับการยกย่องเท่าที่ควร เขาต่างจากคนอื่นๆทั้งก่อนและหลังยุคของเขาตรงที่ได้มีโอกาสพบปะกับผู้คนมากมายที่ประสบความสำเร็จและได้เรียนรู้ความใฝ่ฝันในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่อยู่ตรงหน้าค้นพบความกล้าหาญในตัวเองเพื่อที่จะเอาชนะความล้มเหลวฮิวได้พบปะนักประดิษฐ์และนักสร้างสรรผลงานมากมายซึ่งได้วรวมกันก่อตั้ง ท0 t h century American ิ n d น s t r y ัแนวคิดของพวกเขายังทันสมัยเป็นเวลากว่า25ปีแล้วที่พวกเขาพยายามเรียนรู้เคล็ดลับความสำเร็จของคนรุ่นใหม่ซึ่งช่วยกันก่อตั้งสมาคมขึ้นมาคิดค้นออกแบบระบบใหม่ๆมองอุตสาหกรรมไปข้างหน้าคิดฝันในสิ่งใหม่ๆนั่นเป็นเพราะว่าฮิวได้ให้แบบอย่างที่ดีไว้อย่างที่ไม่เคยมีใครทามาก่อนเขาได้เปรียบเทียบวิเคราะห์ และสร้างสูตรสําเร็จของปรัชญาแห่งความสําเร็จจากชีวิตจริงของผู้คนซึ่งได้ใช้เทคนิคเหล่านี้เพื่อไปสู่ความสําเร็จมาแล้วหนังสือคิดแล้วรวยได้ปฏิรูปงานเขียนประเภทพัฒนาตนเองและเป็นต้นแบบให้กับงานวรรณกรรมประเภทสร้างแรงจูงใจความสําเร็จนี้ยังช่วยสร้างตลาดให้กับธุรกิจนับพันชีวประวัติที่อธิบายว่าผู้คนสร้างความคิดฝันขึ้นมาได้อย่างไร วางแผนชีวิตอย่างไ ร, รเผชิญหน้ากับอุปสรรคทำธุรกิจในยุคปัจจุบันให้สำเร็จได้อย่างไรเนื่องจากในยุคปัจจุบันนี้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทำได้ง่ายขึ้นเพียงแค่คลิกเมาส์คุณก็สามารถอ่านฟังและติดตามดูความสำเร็จของผู้ประกอบการและซีอได้อย่างง่ายดายทั้ทงนี้ก็เพื่อเป็นการยืนยันคาพูดและข้อเท็จจริงแห่งหลักการของนโปเลียนฮิลที่ได้อธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้ ผลิตภัณฑ์หรืองานบริการของแต่ละคนอาจแตกต่างกันแต่เรื่องราวของความสำเร็จนั้นเหมือนกันคือเริ่มจากความคิดฝันแล้วก็ล้มเหลวเกิดบทเรียนและเกิดการเรียนรู้จนประสบความสำเร็จในที่สุดไม่ว่าจะเป็นแฮนรี่ฟอร์ดโทมัสเอดดิสันหรือโอเฮนรี่ที่นโปเลียนฮิล์ได้อ้างอิงไปแล้วรวมไปถึงสตีฟจ็อบส์ดีนคาเมนเมเร่เฮกการ์ด ล้วนแล้วแต่ได้พิสูจน์ว่ากฎของฮิวยังใช้ได้เสมอจบบทวิจารณ์การที่เราอยากจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นแตกต่างจากการเตรียมตัวเองให้พร้อมที่จะได้สิ่งนั้นมาไม่มีใครพร้อมสำหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกว่าเขาจะเชื่อในศักยภาพของตัวเองเสียก่อนไม่เพียงแต่หวังหรือต้องการเท่านั้นแต่ต้องมีความเชื่อในจิตใจด้วยการเปิดใจสาคัญมากสาหรับความเชื่อ การที่เราใจแคบนั้นจะทำให้เราไม่เกิดศรัท ธ, ธาแรงกระตุ้นและความเชื่อจงจำไว้ว่าการที่เราพยายามหวังสูงเพื่อที่จะมั่งคั่งแล ะ, จะเจริญรุ่งเรืองนั้นดีกว่าการที่จะต้องพยายามยอมรับความทุกข์ยากและความยากไร้ดังเช่นบทกวีที่กล่าวถึงสัจธรรมข้อนี้ไว้ว่าฉันต่อรองขอเงินหนึ่งพผีกับชะตาชีวิตของตัวเองแต่ไม่เคยได้ ตอนเย็นฉันอ้อนวอนขอเพราะไม่มีอะไรเหลือแล้วชะตาชีวิตเป็นเพียงนายจ้างของเราชะตาชีวิตจะให้สิ่งที่เราขอต่อเมื่อเราทำงานให้เท่านั้นนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องทำงานหนะักฉันจึงยอมทำงานรับใช้เพียงเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งที่ฉันลงทุนลงแรงทำไปนั้นชะตาชีวิตพร้อมจะจ่ายค่าแรงคืนให้เสมอ ปณิธานเอาชนะกฎธรรมชาติได้ผมอยากจะกล่าวถึงส่วนสำคัญของบทนี้เป็นเรื่องของคนที่พิเศษสุดสําหรับผมผมได้พบเขาไม่กี่นาทีหลังจากที่เขาเกิดทั้งๆที่ผมมองไม่เห็นความผิดปกติที่หูของเขาเลยแต่แพทย์ก็ได้ประเมินและลงความเห็นว่าเด็กคนนี้อาจจะต้องหูหนวกและเป็นใบ้ไปตลอดชีวิตผมไม่เห็นด้วยนะักกับความเห็นของแพทย์ผมมีสิทธิ์ที่จะทาเช่นนั้น เพราะผมคือพ่อของเด็กคนนั้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปผมก็เริ่มยอมรับความเห็นนั้นแต่ในใจลึกๆผมยังเชื่อว่าลูกต้องได้ยินและต้องพูดได้ผมมั่นใจว่าต้องมีหนทางและรู้ว่าต้องหาวิธีช่วยลูกได้ผมคิดถึงถ้อยคำอมตะของอีเมอร์สันที่ว่าทุกสรรพสิ่งล้วนสอนให้เรามีศรัทธาขอเพียงแต่เราเชื่อทุกๆคนก็จะได้รับคาแนะนา โดยการน้อมตัวลงฟังเราก็จะได้ยินถ้อยคำที่ถูกต้องถ้อยคำที่ถูกต้องคำนั้นก็คือปณิธานเนื้อสิ่งอื่นใดผมตั้งปณิธานว่าลูกจะต้องไม่เป็นใบ้และสามารถพูดได้ด้วยปณิธานนั้นผมไม่เคยท้อถอยเลยแม้แต่วินาทีเดียวผมได้ทำอะไรไปบ้าง ผมค้นพบวิธีที่จะปลูกฝังปณิธานอันแรงกล้าของผมเข้าไปในจิตใจของลูกโดยการถ่ายทอดเสียงเข้าไปในสมองของลูกโดยไม่ต้องใช้หูทันทีที่ลูกโตพอจะร่วมมือผมได้เติมเต็มปณิธานอันแรงกล้าที่จะได้ยินเสียงตามธรรมชาติเข้าไปในจิตใจของเขาแล้วมันก็แปลเปลี่ยนเป็นเสียงได้จริงๆความคิดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยที่ผมไม่ได้บอกให้ใครรู้เลย ทุกๆวันผมได้ให้คำมั่นสัญญากับตัวเองว่าลูกของผมจะต้องไม่เป็นคนหูหนวกเมื่อลูกโตขึ้นและเริ่มสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวเราสังเกตเห็นว่าเขาเริ่มจะได้ยินเสียงบ้างเล็กน้อยเมื่อถึงวัยที่เริ่มพูดแต่เขากลับไม่พูดแต่เราสามารถบอกได้จากการกระทำของเขาว่าเขาน่าจะได้ยินเสียงบ้างเล็กน้อยและนั่นเป็นสิ่งที่ผมอยากรู้ ผมเชื่อว่าหากเขาพอจะได้ยินบ้างถึงแม้จะเล็กน้อยการรับเสียงของเขาก็ยังมีโอกาสพัฒนาต่อไปและแล้วก็มีความหวังบางอย่างเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่คาดฝันเราได้ซื้อเครื่องเล่นแผ่นเสียงมาเครื่องหนึ่งเมื่อลูกได้ยินเสียงดนตรีเป็นครั้งแรกดูเขาประหลาดใจมากเขาตอบสนองต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียงมีครั้งหนึ่งเขาเล่นแผ่นเสียงซ้ำไปซ้ำมานานถึงสองชั่วโมงเขายืนหน้าเครื่องเล่นแผ่นเสียง แล้วใช้ฟันกัดที่ขอบของเครื่องเล่นเราไม่เข้าใจสิ่งที่ลูกทำจนกระทั่งหลายปีผ่านไปเวลานั้นเรายังไม่เคยรู้จักหลักการนำคลื่นเสียงโดยผ่านกระดูบโบรนคอนดักชันหลังจากเขาตอบสนองต่อเครื่องเล่นแผ่นเสียงผมค้นพบว่าเขาจะได้ยินเสียงพูดของผมชัดเจนขึ้นเมื่อผมพูดโดยใช้ริมฝีปากแนบบริเวณกกหูและที่กะโหลกศีรษะ เมื่อมั่นใจว่าลูกเริ่มได้ยินเสียงผมชัดเจนขึ้นผมก็เริ่มถ่ายทอดปาณิธานว่าลูกจะต้องได้ยินและพูดได้ลงไปในจิตใจของเขาทันทีเมื่อค้นพบว่าลูกชายของผมชอบฟังนิทานก่อนนอนผมก็ได้พยายามสร้างสรรค์ น, นิทานเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองจินตนาการและปาณิธานที่จะได้ยินมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมเน้นซ้าแล้วซ้าเล่าทุกครั้งที่ผมเล่า ผมจะเสริมและแต่งแต้มสีสันในนิทานเรื่องราวของนิทานนี้ได้ปลูกฝังความคิดลงไปในจิตใจว่าความทุกข์ทรมานที่เขาได้รับไม่ใช่นี่กรรมที่ต้องชดใช้แต่เป็นทรัพย์สินที่มีค่าผลจากการศึกษาและประสบการณ์ส่วนตัวของผมทุกๆครั้งที่เราเจอเคราะร้ายมันจะให้ประโยชน์เราคืนมาเสมออย่างไรก็ตามทาั้งๆที่ผมมีความเชื่อเช่นนี้แต่ต้องสารภาพว่า ผมไม่ได้ตระหนักเลยว่าความพิการนี้จะกลายเป็นสินทรัพย์จริงๆเปิดโลกใหม่ด้วยเงินหกเซนดังที่ผมได้วิเคราะห์ประสบการณ์ย้อนหลังว่าผมเห็นศรัทธาของตัวเองที่มีต่อลูกซึ่งทำให้เกิดผลที่น่าอัศจรรย์ใจเวลาที่ผมพูดคุยด้วยลูกมักไม่ค่อยถามอะไรผมได้ให้แนวคิดกับลูกว่าเขาได้เปรียบกว่าพี่ชายและข้อได้เปรียบนี้ได้ใช้แววออกมาจริงๆตัวอย่างเช่น เมื่อครูสังเกตว่าหูเขาไม่ค่อยดีครูจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษและให้ความเมตตามากกว่าเพื่อนๆผมยังได้ขายไอเดียอีกว่าเมื่อเขาโตพอจะขายหนังสือพิมพ์ได้ขณะนั้นพี่ชายของเขาได้เป็นพ่อค้าขายหนังสือพิมพ์แล้วเขาจะได้เปรียบกว่าพี่ชายมากเหตุผลของผมก็คือผู้คนจะเพิ่มเงินให้เขาเป็นพิเศษเพราะเห็นว่าเขาดูฉลาดและขยันขันแข็งทั้งๆที่หูพิการ เมื่ออายุได้เจ็ดขวบเขาได้เริ่มแสดงให้ผมเห็นว่าวิธีการที่ผมใช้กระตุ้นจิตใจเขากำลังจะเห็นผลเขาอ้อนวอนแม่เพื่อไปขายหนังสือพิมพ์อยู่หลายเดือนแต่แม่ก็ยังไม่ยอมอนุญาตจนในที่สุดเขาได้เริ่มแผนการที่วางไว้บ่ายวันหนึ่งขณะที่อยู่บ้านกับคนงานเขาได้แอบปีนหน้าต่างนี้ออกไปจากบ้านแล้วขอยืมเงินหกเซ็นจากเพื่อนบ้านที่เป็นช่างทํารองเท้า เพื่อ น, นำไปลงทุนซื้อหนังสือพิมพ์แล้วนำไปขายเมื่อสามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองเขาก็ไปซื้อหนังสือพิมพ์มาขายเพิ่มขึ้นและขายจนถึงช่วงเย็นหลังจากทำบัญชีเสร็จและจ่ายเงิน6กเซนคืนผู้ให้ยืมแล้วเขาทํากำไรได้ทั้งสิ้น42เซนเมื่อเขากลับมาบ้านคืนนั้นเราพบเขานอนหลับอยู่บนเตียงในมือมีเงินที่เขาด้กรรมอยู่แน่นแม่ของเขาคลายมือและเอาเหรียญออกมา พร้อมกับร้องไห้ออกมาสําหรับผมแล้วเธอกําลังร้องไห้ยินดีให้กับชัยชนะครั้งแรกของลูกชายแต่ปฏิกิริยาของผมกลับตรงกันข้ามผมหัวเราะออกมาเพราะผมรู้ว่าความเพียรพยายามที่จะปลูกฝังศรัทธาลงไปในจิตใจของลูกได้บรรลุผลแล้วแม่เริ่มมองเห็นการทําธุรกิจครั้งแรกของลูกเด็กน้อยที่หูพิการได้ออกไปสู่ท้องถนนเสี่ยงชีวิตเพื่อหารายได้เลี้ยงตัวเอง ผมมองเห็นความกล้าหาญเยอทะยานความมั่นใจในตัวเองเห็นความเป็นนักธุรกิจน้อยๆที่ซ่อนอยู่ในตัวเขากำลังเพิ่มพูนเต็มจนร้อยเปอร์เซนตจนเขาเข้าสู่ธุรกิจและประสบความสำเร็จด้วยตัวของตัวเองผมไม่เพียงแต่ปลาบปลื้มใจแต่ยังประทับใจในตัวลูกอีกด้วยเขาได้แสดงให้เห็นถึงไหวพริบ ป, ปฏิพานที่จะติดตัวไปตลอดชีวิต เด็กน้อยที่หูพิการได้เติบโตขึ้นจากชั้นประถมสู่มัธยมและวิทยาลายัยโดยไม่ได้ยินเสียงของครูเลยนอกจากเสียงตะโกนดังๆในระยะใกล้ๆเท่านั้นเราไม่ได้เข้าโรงเรียนของเด็กพิการทางหูอีกทั้งไม่เคยใช้ภาษามือเราตัดสินใจให้เขาใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วๆไปที่ได้ยินและพูดได้เรายืนหยัดในการตัดสินใจนี้ถึงแม้ว่าจะต้องขัดแย้งกับทางโรงเรียนก็ตาม ขณะที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมเขาได้ทดลองใช้เครื่องช่วยฟังแต่ไม่ค่อยได้ผลนักระหว่างที่เรียนสัปดาห์สุดท้ายในวิทยาลัยนั้นได้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเขาได้เครื่องช่วยฟังอันใหม่เพื่อมาทดลองใช้ตอนที่ทดสอบเครื่องเขารู้สึกเฉยๆเพราะความไม่ประทับใจกับเครื่องช่วยฟังอันก่อนๆเขาหยิบมันขึ้นมาโดยไม่ได้ระวังจึงบังเอิญวางเครื่องไว้บนศีรษะ แล้วเปิดแบตเตอรี่ให้เครื่องทำงานท่านใดนั้นความปรารถนาที่จะได้ยินเสียงซึ่งรอคอยมาตลอดชีวิตก็ได้กลายเป็นความจริงมันเป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินเสียงเหมือนคนทั่วๆไปเขามีความสุขมากเพราะโลกรอบตัวเขาเปลี่ยนแปลงไปหมดเขารีบวิ่งไปโทรศัพท์หาแม่เพื่อจะได้ฟังเสียงชัดๆวันต่อมาได้เป็นวันที่เขาได้ยินเสียงอาจารย์พูดในชั้นเรียนเป็นครั้งแรกในชีวิต ได้พูดคุยกับผู้คนโดยที่คนอื่นไม่ต้องตะโกนดังๆกับเขาอีกต่อไปโลกรอบตัวเขาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงปณิธานได้จ่ายดอกเบี้ยคืนให้กับชีวิตของเขาแล้วแต่การเดินทางยังไม่สิ้นสุดลงเขายังต้องค้นหาหนทางเพื่อแปลเปลี่ยนความพิการของเขาให้เป็นทรัพย์สินอันมีค่าความคิดที่ทาให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์้วยความดีใจ กับการได้ค้นพบโลกใหม่แห่งเสียงเขาได้เขียนจดหมายไปถึงโรงงานผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังอธิบายถึงประสบการณ์ของเขาด้วยความกระตือรือร้นทางบริษัทจึงได้เชิญเขาไปพบที่นิวยอร์กเขาได้รับเกียรติให้เข้าไปเยี่ยมชมโรงงานได้พูดคุยกับหัวหน้าวิศวกรถึงโลกของเขาที่เปลี่ยนไปแผนการไอเดียและแรงบันดาลใจความคิดบางอย่างสว่างขึ้นมาในจิตใจเขา เป็นแนวคิดที่จะแปลเปลี่ยนความพิการของเขาไปเป็นทรัพย์สินซึ่งปั่นผลออกมาเป็นเงินทองและความสุขให้กับผู้คนนับพันถ้าหากเขาได้บอกเล่าเรื่องราวแห่งโลกที่เปลี่ยนไปให้คนอื่นฟังเขาจะสามารถช่วยเหลือคนนับล้านซึ่งต้องใช้ชีวิตโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องช่วยฟังเขาใช้เวลาหนึ่งเดือนในการมุ่งมั่นทางานวิจัยวิเคราะห์ตลาดของบริษัทผู้ผลิตเครื่องช่วยฟังและสร้างสรรค์แผนงาน ในการเข้าถึงผู้คนที่พิการทางหูทั่วโลกเพื่อดึงพวกเขาเข้ามาสู่โลกใหม่แห่งการได้ยินเสียงเขาได้เขียนแผนงานระยะเวลาสองปีผลจากความมุ่งมั่นนี้บังเกิดผลเมื่อเขาเสนอแผนนี้ให้บริษัทบริษัทก็รับเขาเข้าทำงานทันทีเมื่อเขาเข้าทำงานแล้วก็ได้ทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือผู้คนนับพันถ้าปราศจากการช่วยเหลือจากเขาผู้คนเหล่านี้คงต้องเป็นคนหูหนวกไปตลอดชีวิต ถ้าแม่ของเขาและผมไม่ได้แปลเปลี่ยนจิตใจเขาผมแน่ใจว่าแบรคงต้องหูหนวกและเป็นใบ้ไปตลอดชีวิตผมได้ปลูกฝังปณิธานที่จะต้องได้ยินพูดได้และใช้ชีวิตได้เหมือนคนอื่นๆสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมต่อระหว่างสมองของเขากับโลกภายนอกแท้ที่จริงแล้วการแปลเปลี่ยนปณิธานอันแรงกล้าไปสู่ความเป็นจริงนั้นซับซ้อนแบร มีปณิธานที่จะได้ยินเสียงเหมือนคนอื่นบัดนี้เขาบรรลุปณิธานนั้นแล้วเขาเกิดมาพร้อมความบกพร่องมันง่ายมากที่จะส่งคนที่ไม่มีปณิธานไปสู่ถนนแห่งความพ่ายแพ้มีเพียงเส้นบางๆกั้นอยู่เท่านั้นหากแต่ว่าผมได้ปลูกฝังจิตใจของเขาตั้งแต่ยังเด็กให้เชื่อมันว่าหูที่พิการของเขาจะแปลเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินได้ผมอยากจะยืนยันความจริงนี้คือถ้าเรามีความเชื่อมัน่น รวมกับปณิธานอันแรงกล้าแล้วจะสามารถทำทุกสิ่งให้เป็นไปได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ฟรีสำหรับทุกคนที่จะนำไปใช้บทวิจารณ์ดังที่นโปเลียนฮิลได้กล่าวถึงเรื่องของปณิธานไปแล้วมีข่าวการเสียชีวิตของมาดามชูมันไฮนนักร้องโอเปรา่าผู้มีชื่อเสียงเมื่อฮิลได้ทราบข่าวมรณกรรมนี้ทาให้เขาต้องเขียนบทความถึงเธอดังต่อไปนี้จบบทวิจารณ์ เนื้อหาส่วนหนึ่งในหนังสือพิมพ์ได้เสนอเรื่องราวของนักร้องโอเปร่าผู้มีชื่อเสียงมาดามชูมันไฮน์ซึ่งให้แง่คิดเป็นอย่างดีเกี่ยวกับความสำเร็จอันน่าทึ่งของเธอผมต้องนำข้อความนั้นมากล่าวอ้างเนื่องจากแง่คิดนั้นคือเรื่องของปณิธานนั่นเองช่วงแรกของชีวิตนักร้องเริ่มต้นเมื่อมาดามชูมันไฮน์ได้พบกับผู้กำกับเวทีเวียนนาโอเปร่า เพื่อทดสอบเสียงร้องแต่เธอยังไม่ทันได้ร้องเพลงเพราะเขาเห็นว่าเธอแต่งกายซอมซ่อจึงตะคอกอย่างไม่ปราณีว่าดูสารารูปตัวเองก่อนสิรูปร่างหน้าตาอย่างนี้หรือจะมาเป็นนักร้องโอเปรา่าฉันว่าเธอเลิกล้มความคิดซะเถอะไปหาซื้อจักรมาทํางานเย็บผ้าจะดีกว่าเธอไม่มีวันเป็นนักร้องโอเปร่าได้หรอกผู้กํากับเวทีเวียนนาโอเปรา่าอาจมีความรู้มากมายเกี่ยวกับการร้องเพลง แต่เขารู้เรื่องปณิธานน้อยมากหากเขาได้รู้จักพลังแห่งปณิธานคงไม่ด่วนตัดสินอัจฉริยภาพในตัวเธอโดยไม่ให้โอกาสอย่างนี้บทวิจารณ์ถึงแม้ว่ามีผู้อ่านน้อยคนนักที่จะได้รู้จักใกล้ชิดกับมาดามชูมันไฮแต่เกือบทุกคนคงรู้จักนักร้องนั ก, นกสแสดงที่ประสบความสําเร็จคนอื่นๆบางช่วงในชีวิตดารานักร้องผู้ยิ่งใหญ่ก็เคยล้มเหลวมาก่อน บางครั้งก็มีคนว่าเขาไม่เก่งพอแต่ช่วงเวลาที่เขากำลังล้มเหลวนั้นปณิธานยิ่งใหญ่กว่าความล้มเหลวจึงทำให้เราได้ยินชื่อเสียงของพวกเขามาจนทุกวันนี้ตรงกันข้ามกับนักร้องนักแสดงอีกนับพันที่เราไม่รู้จักก็เพราะปณิธานของพวกเขาไม่ยิ่งใหญ่พอพวกเขาคือคนที่เชื่อมั่นว่าความล้มเหลวคือความพ่ายแพ้จบบทวิจารณ์ หลายปีก่อนผู้ช่วยของผมได้ล้มป่วยลงสุขภาพเขาแย่ลงเรื่อยๆจนในที่สุดต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดแพทย์ได้เตือนว่าผมมีโอกาสน้อยมากที่จะได้เจอเขาอีกแต่นั่นเป็นความเห็นของแพทย์ไม่ใช่ของคนไข้เขาได้กระซิบกับผมก่อนที่จะถูกเข็นไปผ่าตัดว่าเจ้านายครับอีกไม่กี่วันผมจะต้องออกจากโรงพยาบาลให้ได้พยาบาลมองมาที่ผมด้วยความเห็นใจ และแล้วในที่สุดเขาก็ปลอดภัยกลับมาหลังจากนั้นแพทย์ได้พูดกับผมว่าปณิธานได้ช่วยชีวิตเขาไว้ไม่มีใครเอาชีวิตเขาไปได้ถ้าเขายัางไม่ยอมตายบทวิจารณ์ในปีคิเตศกราช1980ที่นโปเลียนฮิวได้เขียนบทความนี้ผู้คนเริ่มยอมรับหลักการนี้มากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในวงการแพทย์ นั่นคือแนวคิดเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและจิตใจและเมื่อเข้าสู่ศตรวรรษที่21ความเชื่อที่ว่าจิตใจทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงได้นั้นได้กลายเป็นส่วนสำคัญของเวชปฏิบัติในบทที่5การเสนอแนะตนเองคุณจะได้ทราบเรื่องของปณิธานอันแรงกล้าที่ไปเกี่ยวข้องกับการแพทย์จบบทวิจารณ์ผมเชื่อในพลังแห่งปณิธานอันแรงกล้าที่ได้รับการสนับสนุนด้วยศรัทธานในตัวเอง เพราะได้พบเห็นพลังซึ่งสามารถยกระดับผู้คนจากจุดเริ่มต้นไปสู่อำนาจและความมั่งคั่งผมเห็นมันช่วยผู้ที่ล้มเหลวให้ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาเห็นมันทำหน้าที่เป็นสะพานพาผู้ที่พ่ายแพ้ให้กลับมาด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไปและผมยังได้เห็นมันช่วยให้ลูกชายผมกลับมาปกติมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งที่ธรรมชาติได้ส่งเขามาเกิดพร้อมกับหูที่พิการคุณจะสามารถควบคุมพลังแห่งปณิธานได้อย่างไรคำตอบส่วนหนึ่งอยู่ในตอนต้นของบทนี้และจะได้เรียนรู้มากขึ้นในบทต่อไปด้วยหลักการอันมีพลานุภาพนี้แม้แต่ธรรมชาติก็ยังยอมสยบให้พลังแห่งปณิธานอันแรงกล้าไม่มีคาว่าเป็นไปไม่ได้และไม่มีการยอมรับความล้มเหลวใดๆทั้งสิน้น ความคิดไม่มีขีดจำกัดเว้นเสแต่เรายอมรับว่ามีจบบทที่สาม